ขาลบคุนถามครับพอดีก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการนั่งแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสงบมันก็ส่วนใหญ่ก็จะแน่นๆนะครับก็จะนั่งได้พักหนึ่งก็จะจะมีปัญหาอันนี้ปพิงหมายใช่ไหมเมืม่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกไม่ได้มาใช่ไหมเขาเพิ่งเพิ่งจะมาครับผมอย่างเมื่อกี้พอมานั่งฟังหลังๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วเนาะมันไม่ได้เราเคยฟังทางเน็ตมาก่อนใช่ปะ ที่พี่ที่พี่ไกลอเคยลองนั่งตามดูไหมอ้าวก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยคือเรานั่งฟังเนี่ยนะมันก็จะคิดคิดคิดอะไรของเราไปนะเพราะว่าตั้งต้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ปูกพื้นมาก่อนของเราใจมันมีอาการคิดไม่หยุด มันเป็นพวกที่ไม่มีเรื่องให้คิดเราก็หาเรื่องคิดขึ้นมานะเป็นคนเหมือนกันรู้สึกว่าเราต้องคิดอะไรอยู่บางอย่างเสมอคือมันเป็นความรู้สึกพื้นฐานข้างในตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเราทำอะไรยังไม่จบเราทำอะไรยังไม่เสร็จหรือว่าทำอะไรยัง ต้องห่วงต้องมีห่วงลองสำรวจเข้าไปที่ใจตัวเองนะมันจะมีอาการอย่างนี้อยู่ตลอดเหมือนคนที่กําลังห่วงพะวงอะไรอยู่บางอย่างถามตัวเองบางทีไม่รู้นะให้คําตอบไม่ได้รู้แต่ว่ามันห่วงรู้แต่ว่ามันมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเราควรจะต้องไปจัดการสสาง คำว่าสาสางเนี่ยคงเข้าใจนะคือเราต้องไปแก้เราต้องไปทำให้จบแต่เสร็จแล้วพอตั้งใจจะตัดสินใจไปทำอะไรจริงๆเนี่ยบางทีมีอาการลาละลัลังเคยรู้สึกไหมยยห อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นบอกว่าหลังเลิกงานตอนเย็นกลับมาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนกับเราน่าจะเป็นอิสระแล้ว ไม่ต้องทำงานแต่พอจะตัดสินใจว่ า, า จ, จะไปดูหนังจะไปคุยกับใครหรือว่าจะไปเดินห้างจะทำอะไรทั้งอย่างแม้กระทั่งไปกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันน่าจะทำได้อย่างเป็นอิสระเรากลับมีความรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่เป็นอิสระยังมีห่วงยังมีภาระอะไรบางอย่างปิดอยู่ค้างคายอยู่ในใจ ลักษณะของจิตที่มันมีห่วงมันมีความคาใจอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราเก็บเก็บอะไรไว้ข้างในค่อนข้างเยอะนึกออกใช่ไหมคำว่าเก็บเก็บเนี่ยมันเหมือนบางทีเราจะรู้สึกถึงความอัดอั้นหรือว่าความรู้สึกว่าทาอะไรไม่จบทาอะไรไม่เสร็จ อแล้วมันคอยเกาะคอยเกาะอยู่ในใจพอไปทำอะไรเหมือนกันน่าจะได้เป็นอิสระมีเวลาเป็นอิสระของตัวตัวเองเนี่ยมันกลับไม่เป็นอิสระเต็มที่ถ้าดูตัวนี้ก่อนนะเข้าใจที่มาที่ไปมันถึงจะเริ่มทำสมาธิได้ไม่งั้นเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกอย่างเมื่อกี้เนี่ยไปนั่งฟังพี่พูดอยู่ ใจม่ก็ห่วงไปโน่นห่วงไปเรื่องคำถามเรื่องอะไรต่อเมือะไรหรือว่านะกาลังคิดสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิของตัวเองมันมันมีความคิดที่ไม่จบและไม่ยอมให้เป็นปัจจุบันบแต่พอพี่พูดอย่างนี้แล้วเรานึกถึงภาวะของเราได้รู้สึกไหยว่ามันสบายขึ้นครับก็รู้สึกว่าสบายขึ้นครับตัวที่มันสบายขึ้น เกิดขึ้นจากการที่จิตของเรามีสติเห็นตัวความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแต่เดิมเนี่ยเราคิดไม่จบเป็นคนคิดไม่จบคิดแล้วมันไม่มารู้ที่เป็นปัจจุบันมันเหมือนไม่ยอมมีอะไรบางอย่างไม่ยอมให้เรามาอยู่กับปัจจุบันไม่ยอมให้เราเป็นอิสระแต่พอพี่พูดถึงมันแล้วเรารู้สึกถึงพันธะ อะไรบางอย่างที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตของเราเรารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยตัวนี้คือเรียกว่ามีสติเห็นตัวความปรุงแต่งเห็นตัวภาวะความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นนะต่อไปเวลาที่เราคิดจะนั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งจะทำงานหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความรู้สึกละล้าละละังรู้สึกเหมือนสับสน รู้สึกเหมือนลังเลว่าจะเอาอยัางไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีให้เห็นตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกตัวภาวะทางใจนี่แหละที่รู้สึกเหมือนยื้ยือมีอาการยื้ยืออยู่ตลอดเวลาพอเรารู้สึกถึงมันได้เราจะรู้สึกว่าเป็นอิสระจากมันชั่วคราวแต่พอเ ร, เราตั้งใจจะทาอะไรอีกมันกลับมาอีกเราก็เห็นอีกไม่ต่างจากเห็นลมหายใจ ว่าเดี๋ยวมันก็เข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยอย่างตอนนี้เห็นไหมที่มันกลับกลับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความฟุ้งซ่านแบบที่ชนิดที่จะดึงเราเข้าไปอยู่กับโลกภายในเวลาฟุ้งขึ้นมาทีเวลาที่มันมีความคลายใจขึ้นมาทีมันจะมีอาการที่เหมือนกับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ในหัว แต่พอเรารู้สึกถึงมันได้พอพี่พูดถึงมันและน้องรู้สึกถึงมันได้มันจะเหมือนกับจิตเปิดออกเหมือนกับภาวะปรุงแต่งตรงนี้มันคลายตัวออกนิดหนึ่งพอเราเห็นมันได้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจแต่ให้ทำไม่ดีใจว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นมันอีกไม่แตกต่างจากลมหายใจเพราะนี่คือความเคยชินเป็นอาการปรุงแต่งที่เกิดขึ้น แล้วเรายอมให้มันเกาะจิตเกาะใจของเรามาตลอดนี่นะอันนี้เป็นนิสัยทางจิตมันเป็นความเคยชินทางจิตที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเห็นตอนนี้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ในใจว่าเราจะได้ฝึกจเจริญตติเห็นมันเห็นมันผ่านมาแล้วเห็นมันผ่านไป เรื่อยๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่อย่างอาการคล้ายๆอย่างเนี้ยคือมันเหมือนคิดมากโดยไม่มีเป้าหมายมันมันเหมือนอยู่ๆมันอยากคิดขึ้นมาล้วรู้สึกว่าเรายังทำอะไรไม่เสร็จเรายังมีภาระยังมีพันธะอะไรบางอย่างยังมีอะไรต้องทำให้เสร็จแต่เห็นไหมพอน้องเห็นมันแล้วใจเปิดออกเนี่ยมันรู้สึกสบายขึ้นชั่วคราวมันเหมือนทาอะไรจบ มันเหมือนคนทําอะไรเสร็จแล้วเป็นอิสระชั่วคราวแต่ใจเนี่ยคือลึกๆมันยังกลุ่นๆอยู่เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราเตรียมไว้เตรียมไว้ในใจเลยว่าเราจะได้เห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกเป็นพันๆครั้งอีกเป็นหมื่นๆครั้งจนกว่ามันจะเกิดความเคยชินใหม่ขึ้นมาความเคยชินที่จะเห็นว่าเออมันมีอะไรเข้ามาเกาะกลุ่ม ไม่ให้เราเป็นอิสระพอเห็นแล้วมันจะหายถ้าเห็นจริงนะแต่ถ้าไปคิดคือน้องชอบไปคิดไงว่าจะทำยังไงมันมีแต่ความคิดมุกวนนะ่ว่าจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้จะแก้ยังไงให้มันหายเมื่เสร็จแลแ้วไม่มีอะไรหายทั้งอย่างมันเหมือนความคิดเนะี่ยมันติดวนอยู่มันเหมือนพันพันพันพนกันเข้ามาใหม่ๆทบทบ ท, บทบเข้ามาเรื่อยๆ เข้าใจหลักการนะนี่มันมีไอตัวที่จะช่วยให้เกิดกําลังเพราะว่าน้องจะรู้สึกว่าทําไปแล้วดูไปแล้วเนี่ยได้ไม่กี่ทีมันก็หมดกําลังนะสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือให้เราสังเกตว่าไอตอนที่เกิดภาวะที่มันมาเกาะกลุ่มที่มันทําให้เราจิตของเราไม่เป็นอิสระเนี่ยเราหายใจขัดๆอยู่ เราจะรู้สึกเลยมันหายใจฝืนๆนี่เราก็สังเกตไอ้ตัวหายใจฝืนๆนั่นแหละครั้งนี้ฝืนอีกครั้งหนึ่งมันสบายขึ้นไหมคืออย่าไปคาดหมายนะว่าพอเห็นมันอาการขัดขัดแล้วมันจะสบายขึ้นทันทีแล้วสบายขึ้นตลอดไปแต่ให้ตั้งไว้ในใจนั่นแหละว่าเดี๋ยวมันก็รู้สึกขัดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รู้สึกสบายขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รู้สึกโลง่งเดี๋ยวมันก็รู้สึกอึอดอัด ให้เห็นว่ามันแสดงความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ที่ลมหายใจแล้วก็ที่มันเกาะอยู่ในหัวเราคือถ้าเราไปอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสับสนไม่รู้จะเอาจากตรงไห น, นเริ่มต้นจากไอความรู้สึกเกาะกลุ่มนี้ก่อนอันดับแรกเลยแต่พอเริ่มรู้สึกว่าเราสามารถเห็นแล้วมันหายไปได้ชั่วคราว ตรงนั้นเนี่ยนะให้สังเกตว่าลมหายใจของเราสบายขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันกลับมาอีกเราก็สังเกตอีกเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันสบายนานขึ้นเห็นไหมแล้วมันสามารถจะรู้สึกถึงลมหายใจได้แต่ของเราพอรู้สึกขึ้นมาถึงลมหายใจมันอื่นอาจขึ้นมาเกือบทันทีเพราะว่าที่ผ่านมาเราฝึกดูลมหายใจแบบบังคับมากเกินไป คูอพอดูลมหายใจปุ๊บเนี่ยที่มันแน่นขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราเคยชินกับการาทำสมาธิแบบฝืนใจทำแล้วมันไม่สบายแต่ก็ยังฝืนต่อแล้วก็คิดมากแล้วโดยอ่านเนี่ยเรื่องเจริญสติเรื่องการทำสมาธินี่อันนี้เป็น ข้อที่ผ่านไปนิสยัยนินสัยที่เกิดขึ้นประจำวันเนี่ยในชีวิตประจำวันอันนี้ก็มีส่วนที่จะปรุงแต่งกิตให้มันเกิดภาวะติดขัดหรือว่าอืดอัดแบบนี้อย่างเวลาที่คือเอาง่ายๆเลยทุกวันเนี่ยเราทำงานเนี่ยมันทำในลักษณะฝืนใจคือ เหมือนกับมีเรื่องที่ไม่ชอบหรือว่ามีเรื่องที่ไม่อยากทำแต่เราก็ยังทำในอาการเรียกว่าจำใจทำลองสังเกตดูนะคือบางทีมันอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆน้อยๆหรือว่าจุดที่เราเจอเจ้านายหรือว่าเจอกใครบางคนที่ทำให้เราตัวรีบ แล้วเรารู้สึกไม่ชอบที่จะต้องไปเผชิญกับภาวะแบบนั้นแต่มันก็เหมือนกับบอกตัวเองว่าคล้ายๆว่าดุลหลังตัวเองให้เข้าไปคือทั้งๆที่ไม่เต็มใจอ่ะคือทั้งๆที่ไม่ชอบเงนี้ยนี่ถ้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานหรือว่าตัวบุคคลที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบหรือเกิดความรู้สึกอึดอัดให้เห็นความอึดอัดก่อน เห็นความอึดอัดว่ามันก่อตัวขึ้นมาใ น, นาลักษณะค ล, ะคละ้ายๆกับแรงอัดแหะแรงอัดให้รู้สึกฝืนหายใจสบายๆทีหนึ่งคือไม่ใช่หายใจด้วยความความตั้งใจว่าจะให้เกิดความปลอดโปร่งหรือว่าด้วยความตั้งใจว่าจะสลายความอึดอัดเพราะที่ผ่านมาเราชอบไปพยายามสลายมันซึ่งนอกจากมันจะไม่ได้ผลแล้วเนี่ย มันจะยิ่งทําให้เกิดความอึดอัดเข้าไปใหญ่มันไม่พอใจตัวเองไงที่สบายไม่ได้ที่อยู่ต่อหน้าใครบางคนแล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาวิธีที่ถูกต้องก็คือเราเห็นความอึดอัดแล้วยอมรับว่ามันอึดอัดแค่นี้นี่อย่างตอนนี้เกิดความรู้สึกขึ้นมาเล็กๆนี่แล้วเราหายใจสังเกตความต่างไปของมัน คือไม่ใช่ไปตั้งใจให้มันหายไปทันทีแต่เอาแค่ความต่างทีละนิดทีละหน่อยในแต่ละลมหายใจที่มันผ่านไปลมหายใจนี้อึดอัดแค่นี้อีกลมหายใจต่อมาเนี่ยมันอึดอัดมากขึ้นหรือว่าน้อยลงแม้แต่กระทั่งอึดอัดมากขึ้นเราก็พอใจที่ได้เห็นว่ามันมากขึ้นเพราะนั่นคือการเห็นความไม่เที่ยงที่ผ่านมาเราไม่ได้หวังจะเห็นความไม่เที่ยงเข้าใจไหม เราหวังจะเห็นมันหายไปนี่อย่างตอนนี้มันลงขึ้นมันหายไปทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันหายไปแต่เราทำเหตุของอาการหายไปยังถูกต้องอาการนั้นก็คือยอมรับสภาพตามจริงแต่ก่อนอึดอัดแล้วไม่ยอมรับเมื่ออึดอัดไม่อยากยอมรับอยากปฏิเสธมันอยากให้มันหายไป แต่พอฟังพี่พูดแล้วเออมันเริ่มยอมรับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเป็นสภาวะธรรมดาไม่เห็นจะน่าทางเกียด ต, ตรงไหนพอยอมรับปุ๊บมันเกิดสติพอเกิดสติปุ๊บใจมันปลอดโปร่งขึ้นทันทีตัวนี้คื อ, คอการเห็นสภาวะอะไรอย่างหนึ่งมันต่างไปตัวการเห็นสภาวะอะไรอย่างหนึ่งต่างไปนั่นแหละตัวนี้แหละสติที่มันเจริญขึ้น วาสติจะเดินขึ้นเนี่ยอย่างตอนเนี้ยก่อตัวขึ้นมาใหม่เห็นไหมเพราะว่าเราหายใจมันมันไม่สม่ําเสมอเป็นคนหายใจไม่สม่ําเสมอด้วยพอเหมือนกับเราจะหายใจทริงเนี่ยคื อ, ค, อคือตั้งใจหายใจให้มันดีหายใจให้มันยาวหายใจให้มันชัดเจนเกิดความรู้สึกว่าเรามีสติคือจะไปเรียกสติเอาจากลมหายใจซึ่ง อาการแบบนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณของทุกคนที่ไม่เข้าใจหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องหลักการทำสมาธิที่ถูกต้องคือเริ่มต้นขึ้นมาอย่าไปคาดหวังว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นทันทีแต่เราคาดหวังว่าจะเห็นอะไรอะไรมันต่างไปเรื่อยๆโดยนับหนึ่งจากการยอมรับสภาพตามจริงก่อนไม่ใช่ขึ้นต้นมาปุ๊บคาดหวังทันที แบบนั้นมันไม่ได้อะไรขึ้นมานี่อย่างตอนนี้สิ่งที่มันปรากฏเด่นคือความรู้สึกฝืนอยู่เล็กๆความรู้สึกอึดอัดอยู่เล็กๆแล้วพอมันเกิดอาการแบบนี้น้องลองดูอาการของใจตัวเองนะมันคาดหวังขึ้นมาว่าจะให้มันพ้นจากสภาพแบบนี้มันเคยชินมาแบบนั้นมันมันจะพยายามสลาย ไอ้ภาวะตรงนี้ออกแต่ถ้าหากว่าเราแค่ยอมรับตามจริงเหมือนกับที่พยักหน้าตอนที่พี่ทักว่าเห็นไหมมันก่อตัวขึ้นมาตัวยอมรับนี่แหละคือตัวสติคราวนี้เห็นความต่างอย่างระหว่างตัวอยากให้มันหายไปแต่ตัวยอมรับว่ามันมีสภาพแบบนี้อยู่ ม, มันคนละอันกันนะนี่เมื่อกี้สติมันเบลอไปนิดนึงมันมันกระโดดฟังคาพูดพี่กระโดดไปพี่พูดใหม่นะ มันต่างกันระหว่างอยากให้มันหายไปกับยอมรับว่ามันมีอยู่ตัวอยากให้มันหายไปตัวนี้แหละต้นเหตุความทุกข์ต้นเหตุที่ทําให้เรามันเบลเกิดความรู้สึกเบลแต่ถ้ายอมรับว่ามันมีอยู่ยอมรับว่ามันมีสภาพแบบนี้อยู่มันจะเกิดสติขึ้นมาเห็นความจริงที่กําลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ตั้งใจมากเกินไป ลักษณะตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันมาพร้อมกับความคาดหวังที่ไม่ตรงกับความจริงของเรามันผูกอยู่กับอาการแบบนี้คือคาดหวังแล้วก็อยากให้มันดีอยากให้ภาวะเสียๆเนี่ยมันหายไปในบัดดลพอหายไปไม่ได้ก็อึดอาจอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าเริ่มยอมรับ เนี่ยเริ่มตั้งต้นจากยอมรับอาการอึดอัดนี่แหละอันดับแรกเลยนะสิ่งที่จะพัฒนาให้สติของเราจเจริญขึ้นมันเริ่มจากจุดนี้จุดของการยอมรับความอึดอัดแะคราวนี้เดี๋ยวพอกลับไปเนี่ยลองฟังใหม่ที่พี่ไกด์ทำสมาธิแล้วเราจะรู้สึกว่าทําได้ง่ายขึ้นและเข้าใจมากขึ้นนะ นี่คำถามหนึ่งเมื่อกี้ที่ที่พี่บอกว่ามันจะเบอร์เบอร์นี่คือคือคือเห็ น, นว่ามันเมันเป็นมันเป็นความคิดไงครับคือความคิดของเราเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่าคิดแบบไม่ชัดเจนคือเวลาที่เรามีจุดหมายแน่ชัดมีความรู้แน่ชัดแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราโฟกัสได้เราก็เป็นสมาธิกลา ง, งานได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึก ว่าเรารู้ไม่ครบรู้ไม่ชัดรู้ไม่ละเอียดพอมันจะคิดแบบว่างเปล่ามันจะคิดแบบแบงค์เคลื่อนความคิดเนี่ยมันจะกระโดดจากคิดแบบชัดเจนแบบรับรู้เนี่ยกลายเป็นจดจ่ออยู่กับอะไรก็ไม่รู้มันมีอาการจ่ออยู่อะไรก็ไม่รู้เฉยเฉยเมื่อยังเมื่อกี้ตอนฟังพี่พูดแค่สองประโยคเนี่ยแต่เรามีความคิดแรกขึ้นมาไง แค่ขึ้นมานิดเดียวเนี่ยแล้ไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ยนะมันจุดชนวนให้จิตของเรามันยืดออกไปแบบอยู่ในอยู่ในช่วงแบลงนะ้ง blank อยู่ในช่วงไม่รับรู้อะไรเลยมันเหมือนมันเหมือนเรากำลังพยายามคิดพยายามตั้งใจฟังพี่พยายามทําตามไปด้วยแล้วไม่รู้จะจับอะไรกันแน่มันสับสนในช่วงของความสับสนเนี่ยทําให้เหมือนกับขาดการติดต่อกับโลกภายนอกไปชั่วคราว ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกับ disconnect จากโลกภายนอกไปเฉยๆคล้ายๆเข้าไปอยู่ในห่วงของอารมณ์ที่มันว่างเปล่ามันไม่รู้จะคิดอะไรมันไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอะไรกันแน่หรือแม้กระทั่งอยากได้อะไรกันแน่เนี่ยตัวนี้มันพอกอดตัวมากๆขึ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอารมณ์มกบนไม่รู้จบ มันกลายเป็นนิสัยทางจิตนิสัยทางจิตแบบหนึ่งคือคิดแบบไม่รู้จะคิดอะไรมันเหมือนเรามีภาระอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าภาระอะไ ร, รเหมือนเราทำอะไรค้างไว้ไม่เสร็จแล้วมันทำให้ไม่สบายใจคือบางบางทีมันก็มีเรื่องอยู่อย่างบางทีเรารับผิดชอบมีภาระอะไรเงี้ยแล้ว อย่างที่พี่บอกบางทีมันไม่เต็มใจมันก็เหมือนกับกักไว้แล้วก็ใจหนึ่งเนี่ยอยากจะรับผิดชอบให้จบแต่ใจหนึ่งมันไม่อยากคือมันขัดแย้งกันอยู่ระหว่างความคิดกับความรู้สึกที่แท้จริงีนี้ถ้าเราเห็นในช่วง blank แบบนี้บ่อยๆในระหว่างวันพอเกิดช่วง หายไปเนี่ยเราก็กลับมาหายใจทิงลมหายใจเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของสติเพราะเราหายใจได้เนี่ยแล้ว ร, รู้ว่านี่ลมหายใจเข้านี่ลมหายใจออกมันไม่ต้องถามใครเลยว่าเรารู้ถูกหรือรู้ผิดมันถูกอยู่แน่ๆ แ, และเป็นปัจจุบันอยู่แน่ๆ แ, แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีความคิดของเราไปบล็อกสติของเราคือมามัวแต่นั่งคิดยืนคิดว่า จะทำอะไรดีจะเอายังไงดีหรือว่าเรามีห่วงเรามีพวงอะไรกันแน่บางทีมันตามเข้าไปในความฝันเลยนะไม่เหมือนตื่นขึ้นมาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้มันคล้ายๆกับติดค้างอะไรอยู่ในฝันนึกไม่ออกเคยรู้สึกไหมตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรติดค้างถึงแ้าสืบดูมันนึกไม่ออกคราบมันจับความฝันไม่ได้ มันมีแต่อาการว่ายงอยู่ระหว่างช่วงตื่นกับช่วงหลับเสร็จ แ, แล้วเราก็ไม่สบายใจอยู่ลึกๆคล้ายๆกับคนที่ทำอะไรไม่เสร็จอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ต้องดูความอึดอัดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าจำไม่ได้ว่าพี่พูดอะไรมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมีคนเอาคลิปไปแล้วน้องลองฟังอีกทีพอพ <บ S 2> ฟังอีกทีเนี่ยมันจะเข้าใจมากขึ้น เพราะอันนี้ฟังแล้วมันยังคือครั้งแรกเนี่ยฟังแล้วมันจะยังงงๆอยู่แต่แต่โอเคคือเมื่อกี้เราเข้าใจพอยที่สําคัญที่สุดของเราไปแล้วนั่นก็คือว่าเวลาเกิดช่วงอึดอัดช่วงที่มันรู้สึกแบลง้งช่วงที่รู้สึกว่ามันคาใจเหมือนนะทําอะไรไม่จบทําอะไรไม่เสร็จครับเราจะดูมันยังไงนะก็ดูโดยความเป็นอะไรที่มันมาเกาะมาเกาะ อ, อยู่แล้วก็ยอมรับ คีย์เวิร์ดคืออย่าพยายามแก้แต่ให้ยอมรับว่ามีภาวะอึดอัดแบบนี้ขึ้นมาแล้วเวลาทำอะไรหรือรเผชิญหน้ากับใครถ้าเกิดความรู้สึกอึดอัดถ้าเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่เต็มใจไม่อยากเข้าไปตรงนั้นอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะมีคนอยู่หลายคนที่เราไม่อยากเข้าไปอยู่ตรงหน้าเขาพอเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนกับทาอะไรไม่ถูก หรือว่าไม่เต็มใจที่จะคือได้แต่ไปถึงก็ไปรับคำสั่งอะไรแบบนี้คือแบบนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่เราไม่ชอบมันเหมือนบีบตัวเองให้อยู่ในภาวะจำยอมพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันกลายเป็นภาวะปฏิเสธแบบหนึง่งคือเหมือนก็มีตัวหนึ่ง ที่คอยที่คอยห้ามไม่ให้ตัวเองเนี่ยไปทำในสิ่งที่ต้องทำเข้าใจไหมคือคือใจจริงๆของเราเราไม่อยากคุยกับเขาแต่เวลาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเราทำท่าประหนึ่งว่าโอเคเข้าใจว่าคือแบบมีอาการที่เหมือนกับโอเคทุกอย่าง ซึ่งมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเป็นความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกที่แท้จริงกับท่าทีที่แสดงออกมันเป็นคนละคนกันคือบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เมื่อยลอยไปทางอื่นหรือไม่ก็หนีด้วยการที่พุงสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยจะมีลักษณะกดตัวเอง ให้มีสภาพนิ่งอยู่เหมือนกับยอมรับทุกทุกประการเหมือนกับโอเคทุกประการแต่ข้างในไม่โอเคแต่ละคนเนี่ยมันจะมีวิธีจัดการกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแตกต่างกันไปแล้วตัวนใหญ่ใช้วิธีหลบหนีเพียงแต่วิธีหลบหนีแบบของเราเนี่ยเป็นวิธีกดตัวเองให้ยอมรับสภาพนึกออกมใจของเราอะมันต้องการที่จะไปที่อื่น แต่เราบังคับให้ท่าทีของเราเนี่ยมันสามารถยอมรับที่จะอยู่ในสภาพตรงนั้นจิตข้างในกับจิตข้างนอกมันต่างกันเอจิตข้างในกับกายข้างนอกมันต่างกันพะเราเข้าใจที่มาที่ไปของความบิดดเราก็จะรู้ว่าจะสังเกตตอนไหนนะครับ ของผมช่วงนี้มันจะมีปัญหาว่าเหมือนใช้รอ้อยส่วนเนี่ยครับแต่ว่าพอเรายิ่งเครียดหรือวิตกลังบนเนี่ยความสามารถของเรามันก็ลดลง แก้ไขไม่ได้เพราะว่มมาบางครั้งเราร่างกายจิตใจเรามเมื่อกี้นั่งสมาธิไปมันก็ปลอดโปร่งขึ้นนี่ใช่ไหมคือคือมันเหมือนเคลียร์เคลียร์ความมึนอัดเคลียร์ความรู้สึกที่มันวกวุนไม่รู้จบออกไปได้เพราะฉะนั้นก็นั่งสมาธิบ่อยๆแล้วก็เอาความรู้สึกปลอดโปรง่งเอาความรู้สึกสบายเนี่ยเป็นทุนไปใช้ในระหว่างวันนะ คือของน้องเนี่ยแค่มันมีความปลอดตรง่งเนี่ยอย่างที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยถือว่าปลอดตรงระดับหนึ่งนะถือว่ามันมีความสบายพี่ว่ามันลดลงกว่าแต่เดิมตั้งเยอะโดยซ้ำไอ้ที่อาการฝืนใจที่พี่เคยพูดเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนน้องมาสังเกตตรงนี้มากกว่ามันเลยเห็นลาเนี่ยไอ้ที่บอกว่า30อเ็อะไรเนี่ย มันเกิดจากการสังเกตไงแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้หนักกว่านี้แล้วเราไม่ได้สังเกตคล้ายๆว่าอยู่ในภาวะหุ่นยนต์น่อยู่ในภาวะหุ่นยนต์ที่รับโปรแกรมเข้ามาแล้วก็เดินไปตามโปรแกรมแต่ตอนเนี้มันเริ่มเป็นมนุษย์มากขึ้นมันเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นลองสังเกตนะคือมันเหมือนคิดอะไรได้ได้แบบที่ว่า ใจมันใจมันไม่ไม่ทื่อแต่ก่อนมันจะทื่อๆตอนนี้มันมีความปลอดโปรงมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นคาว่ายืดหยุ่นพอจะนึกออกไหมอย่างถ้าสมมุติว่าเราคิดจะทําอะไรทั้งอย่างแต่ก่อนเนี้ยมันจะเดินเข้าเดินเข้าชนตรงๆ ท, ทั้งที่ใจบางทีนะีคิดอะไรวุ่นวายไปสับสนสลพัดแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันจะคล้ายๆเดินเข้าชนตรงๆแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับจะมีสติคิดอ่านคือไม่ได้เดินเข้าชนตรงๆแต่แต่จะมองก่อนว่าเราจะไปถึงเป้าหมายยังไงคือมันจะมีช่วงพักก่อนที่จะตัดสินใจคือรู้สึกสบายๆ ว่าเราควรจะคิดว่าเออจะหนึ่งสองสามยังไงแต่ก่อนเนี่ยมันมันเหมือนกับเราจะทำอะไรมันมันดิ่งเข้าไปทื่อๆนี่พูดเป็นอาการของจิตนะพอจะนึกออกใช่ไหมว่ามันเป็นไง อ, อย่างพอน้องมาเริ่มสังเกตตามที่พี่บอกว่ามันเหมือนกับไม่เต็มใจแล้วเราไปเห็นความไม่เต็มใจมันก็มี ผลต่อเนื่องมาคือเรารู้สึกว่าประสิทธิภาพมันลดลง ก, กี่เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเหมือนกับพอเราไม่สังเกตตรงนี้มันก็สักแต่ทำไปทื่อๆไม่ได้เห็นว่ามีประสิทธิภาพเต็มร้อยหรือว่าลดลงกี่เปอร์เซนต์แต่พอเห็นแล้วอย่างนี้เนี่ยนะเราขอให้สังเกตต่อไป มันไม่ใช่มีแต่ปฏิทิภาพลดลงหรือว่าการทางานยังไม่เต็มรอเอร์เ็นอะไรอย่างนี้แต่มันมีเรื่องของจิตที่มันปลอดโปร่งมากกว่าเดิมเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเดิมเราจะรู้สึกเหมือนกับสบายๆกับชีวิตมากขึ้นเหมือนกับมีความโล่งอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเราเป็นแค่บางช่วงนะครับช่วงนี้เวลาสเตรสมยเยอะมันก็แบบแทบจะเหมือนกด เราเราเห็นเฉพาะตอนตอนที่มันสเตรสไงเพราะว่ามันชัดเจนแต่ตอนที่อยกตัวอย่างง่ายๆ ย, ยังหลับเนี่ยหลับสบายขึ้นทั้งๆนี่สเตรสเหมือนกันนะอยู่ในช่วงของสเตรสเนี่ยแต่มันจะหลับสบายขึ้ น, นกว่าแต่ก่อนมันเหมือนพักผ่อนได้ได้จริงกว่าเวลาหลับมันหลับจริงกว่า คือคือยังเข้าใจยังไม่ได้เต็มร้อยยังไม่ได้แบบสบายเต็มที่แต่ว่ามันสบายขึ้นมันรู้สึกว่าร่างกายมันไม่เกร็งเหมือนเดิมแต่ก่อนเนี่ยมันจะคล้ายๆหุ่นยนต์ที่มีแต่ส่วนแข็งแต่ตอนเนี้ยมันมีส่วนที่ยืดหยุ่นมีส่วนที่อ่อนโยนมีส่วนที่รู้สึกปลอดโปร่งสบายซึ่งมันต่างจากหุ่นยนต์ที่มีแต่ความแข็ง ถ้าพูดอย่างนี้พอจะนึกเป็นภาวะรวมออกนะคือพี่พยายามพูดให้ใหเห็นภาพรวมว่าเรารู้สึกออกมาจากข้างในอย่างไรนี้ถ้าเราไม่ไปจดจ่ออยู่เฉพาะตรงที่มันไม่เต็มใจหรือว่าเป็นสีที่ภาพไม่เต็มร้อยไม่ไปจดจ่ออยู่แค่ตรงที่มันรู้สึกทื่อๆแข็งๆนะแต่เห็นด้วยว่าเออมันมีบางครั้งหลายๆเวลา รู้สึกมันอ่อนโยนลงรู้สึกมันมีความปลอดโปร่งสบายคือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามนะแต่เราสังเกตเห็นมันรู้สึกถึงมันเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวตั้งในการสังเกตเปรียบเทียบว่าตอนที่มันแข็งขึ้นมากลับแข็งขึ้นมาเนี่ยมันมันต่างไปยังไงพอไม่สังเกตเนี่ยมันจะไม่มีการเปรียบเทียบพอไม่เปรียบเทียบมันจะไม่เห็นความแตกต่าง ความสำคัญของการเห็นความแตกต่างก็คือว่าเราจะรู้สึกว่าไอ้สภาวะที่มันต่างไปเนี่ยไม่ใช่ตัวเราคือปกติเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นตัวเดียวทื่อๆอยู่ตลอดเวลามันเป็นก้อนเดียวมันไม่มีอะไรแตกต่างให้ดูแต่ตอนนี้มีโปร่งบ้างมีทึบบ้างมีความรู้สึกเหมือนแข็งๆบ้างมีความรู้สึกอ่อนบ้างอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตไง ก็บางทีมันก็อ่อนบางทีมันก็แข็งไม่ใช่ตัวเราที่มันอ่อนอยู่อย่างเดียวหรือว่าแข็งอยู่อย่างเดียวมันมีภาวะอ่อนบ้างแข็งบ้างทึบบ้างปลอดโปร่งบ้างมาให้ดูอย่างนี้สติมันก็จเจริญมันได้ข้อสังเกตมันได้ที่สังเกตพี่เราเวลามันมีช่วงเวลาทึบที่ค่อนข้างเยอะครับเราท่้าสมมติที่ผมบอกคืออาจจะเกี่ยวกับโรคนิด น, นึงคือง่ายมันหนักมากแล้ว ไอจุดที่มันทึบมันยาวแล้วงานมันหนักแล้วมันจะฝ่าไอช่วงนี้ไปยังไงเนี่ย<ง>ตรงนี้เนี่ยจริงๆรพี่พูดถึงตรงนี้แหละคือถ้าน้องสังเกตดีๆนะไอที่เราบอกว่ามันทึบยา ว, ยาวๆเนี่ยมันไม่ได้ทึบเท่าเท่าเดิมตลอดเวลาที่เห็นเนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามายาวๆหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันแต่ใจของเรามันเป็นหุง้งห้วงนะ คือมีทึบมากทึบน้อยและบางทีมันป ล, อปล่อยโปร่งขึ้นมาแต่เป็นช่วงสั้นๆคือที่เราบอกว่าเป็นช่วงสั้นๆ น, น้อยนั่นแหละที่พี่ขอให้สังเกตเพราะมันจะมีประโยชน์มากถ้าเรารู้สึกขึ้นมาอาจจะแค่ในความรู้สึกของเราเนี่ยอึดใจสองสามอึดใจก็ตามเนี่ยนะที่มันเกิดความรู้สึกป ล, อปล่อยโปร่งขึ้นมาแต่เราเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นจริงๆ ตัวนี้เนี่ยพอพอมันกลับมาทึบใหม่รู้สึกแน่นเลยรู้สึกเหมือนกับไม่ปลอดโปร่งเลยเนี่ยนะมันมันจะมันจะเห็นแล้วว่าเออมันต่างกันขอให้จําไว้ว่าทุกครั้งที่เราเห็นความต่างกันระหว่างโป ร, โรง่งแค่น้อยๆสั้นๆกับความทึบยาวๆเนี่ยมันจะจุดชนวนให้เกิดการสังเกตขึ้นอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าไม่งั้นมันไม่มีแก้ใจ ไม่มีแก้ใจที่จะสังเกตขอแค่เขียนครั้งเดียวเข็นชัดๆเออเนี่ยมันปร่งโปร่งแปบบ๊แบๆบหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเคลียรใหม่แล้วมาเกาะใหม่อีก ล, กกล้ตัวนเนี้ยเนี่ยมันมันจะเป็นตัวจุดชนวนให้รู้สึกว่าเออเวลาที่อย่างเราไปห้องน้ําอย่างเงี้ยระหว่างเดินทางไปห้องน้ําเดินไปห้องน้ําเนี่ยมันจะมีช่วงโปร่งแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกัน แต่ที่ผ่านมาไม่สังเกตเพราะว่านึกว่าไอ้อะไรที่มันทึบๆตันๆเนี่ยมันยังอยู่เท่าเดิมคือไปบอกตัวเองไงจิตเนี่ยมันจะบอกตัวเองนี้จริงๆนะเวลาที่เกิดอุปทานมันจะบอกตัวเองว่าเนี่ยไอความรู้สึกที่เราไม่ชอบแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลานี่เขาเรียกว่านิจยสัญญานึกว่าเที่ยงแต่พอเราสังเกตจริงๆเหมือนกับอยู่กับปัจจุบันได้แน่ๆเนี่ย ระหว่างทางไปห้องน้ําเนี่ยสังเกตไปเออเท้ากระทบกระทบกระทบมันจะรู้สึกข้ามันีิใจว่าช่วงเนี้มันไม่มีความหนักมันมีความปลอดโปร่งได้พอเห็นแบบนี้บ่อยๆมันเกิดความมีแก่ใจสังเกตว่าแม้กระทั่งตอนที่เรานึกว่าเนี่ยกำลังเครียดอยู่จัดจัดมันก็มีช่วงผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างตอนที่เรากาลังเคลื่อนไหว โดยไม่ต้องใช้ความคิดมันไม่อาศัยความคิดเนี่ยคือเคลื่อนไปหยิบเครื่องมือหรือว่าอะไรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีความปลอดโปร่งเกิดขึ้นช่วขนาหนึ่งนี่เห็นไหมแต่ว่าเราไม่สังเกตเพราะอุปท า, านเนี่ยมันมันครอบงาจิตใจของเราไปเรียบร้อยแล้วว่าเรามีความทึบ อ, อยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นนิจัดสัญญาแต่ว่าเห็นว่าแม้กระทั่งช่วงเคลื่อนไหว หยิบเครื่องไม้เครื่องมือด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้จ่าสัญญาเกิดแล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมไม่ได้ทึบ อ, อยู่ตลอดเวลานิวาเนี่ยนะเข้าใจเข้าใจพอยที่พี่พูดนะลองไปดูเนี่ยตอนนี้จิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วแต่มันมันเนื่องจากว่ายังมีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดเกิดความรู้สึกเหมือ น, นต้องรับแรงกดดันอะไรเงี้ยเออมันมันเลย มันเลยเกิดนิจอยาสัญญานั้นทำให้ไม่มีแก่ใจสังเกตความแตกต่างพูดมาทั้งหมดเนี่ยแค่ให้มีแก่ใจสังเกตความแตกต่างเท่านั้นเองแล้วจะเห็นเลยว่า ม, มันมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือช่วงที่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากแต่เดิมแล้วนะอย่างสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งคือแต่ก่อนเนี่ย เวลาไม่พอใจคนเวลาเราพูดเวลาเราเหมือนอธิบายให้เขาฟังเนี่ยมันจะมีอารมณ์ปนอยู่แบบเหนียวแน่นแต่ตอนนี้มันจะรู้สึกไอ้โทสะเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเวลาพูดในขณะที่ไม่พอใจนะลองสังเกตดูดีๆนะมันมันเหมือนจะเบาบางลงคือมันมันไม่ได้เอาเป็นเอาตายเหมือนแต่ก่อน ก่อนเนี่ยคือมันเหมือนกับเอาจริงเอาจังมากกับการพูดสังเกตการาพยายามจะเอาให้ได้อย่างใจเดี๋ยวนี้มันลดลงคําพูดมันมันเป็นแบบพูดธรรมดาธรรมดามากขึ้นพูดออกมาอยากใจที่มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในก่อนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงจัง เ, เรื่องที่ต้องคาดคันตอนเนี้อาการคาดคันมันลดลงเห็นความต่างนะเนี่ยสังเกตความต่างพวกนี้ซึ่งน้องไม่ค่อยสังเกตไงนี่ตัวตัวนี้ที่พี่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือสัญญาณบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันอ่อนลงนะคืออ่อนโยนลงแล้วก็มันมีพื้นที่ความว่างมากขึ้นแต่ก่อนมันทึบแน่นไปหมดด้วยความยึดยดติด ไม่ต้องเอาให้ได้พี่อีกนิดเดียวครับระหว่างที่ทำงานอยู่ถ้าอย่างที่บอกเวลาทำงานไปเยอะแล้วมันจะแบบเกิดอาการประหลาดคือมันเหมือน blank ไปเลยเหมือนกับว่าถามอะไรคนอยู่แล้วพอถัดจากนั้นมาประมาณสักสามสี่ทีมันจำไม่ได้แล้วว่าถามอะไรไปอะไรเงี้ยครับมันไม่น่าประหลาดใจหรอกเพราะว่าคือเราเป็นคนจริงจังย น, นะแบบเห็นอะไระไรเป็นเรื่องขอการบาดตายจะต้องแบบ เอาให้เป๊ะเอาให้ถูกเอาให้ได้เอาให้ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะจิตที่ยึดมัน่นถือมั่นมากๆเพราะมันเจอสตรส์ยาวๆอ่ะมันมันหมดกาําลังมันมันคือจิตจะจําอะไรได้เนี่ยนะมันต้องมีช่วงที่ว่างแล้วก็พร้อมพอที่จะรับแรงประทับของสิ่งกระทบอย่างเช่นเสียงคนบอกเล่าอะไรมาหรือว่าภาพอะไรที่เราเห็นเนี่ย ช่วงนั้นจิตมันจะต้องมีความพร้อมที่จะรับแรงประทับแต่ถ้ามันสตสเตรทอยู่ตลอดเวลามันเหมือนมีอาการผลักออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะมันพอสะสมมามากถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นอะไรเข้ามาไม่ได้ทั้งอย่างประทับไม่ลงทั้งอย่างมันผลักออกหมดนี่ตัวนี้มันก็ถึงได้พอเราเข้าใจว่าสาเหตุมันมาจากการที่ใจของเรามันไม่ว่างมากพอที่จะรับแรงประทับ สิ่งที่เราจะทําทต่อไปก็คือสังเกตยอย่างที่พี่ว่าเนี่ยแหละนะมันมีช่วงที่ใจเนี่ยผ่อนคลายสบายได้อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่แล้วแม้กระทั่งขณะที่ขยับเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยอย่างเวลาเดินเนี่ยถ้าไม่สังเกตลองไปสังเกตดูถ้ามันกระทบกระทบกระทบเนี่ยเราสามารถที่จะรู้สึกถึงอาการกระทบของมันแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาได้ไม่งั้นเนี่ยเดินไปเนี่ยมันเสียเปล่าเลยนะคือคิดเรื่องงานต่อไม่พักเลยไม่มีอาการเว้นวักเลย นี่ถ้าเรารู้จักที่จะเว้นวักไม่ปล่อยให้ความคิดมันครอบงามต่อเนื่องเนี่ยแค่นี้มันก็มีความว่างมากขึ้นมากขึ้นมีความว่างมากพอที่จะทําให้อาการสต r e s เนี่ยมันมันลดกําลังลงเอ้ไม่มันเออเนี่ยสงสัยเราต้องไม่จับก้นมันมันเป็นพวกชอบโง่ตัวนิดนึงอย่าไปจับก้นมัน เอออันนี้เสียงซ่านี่มันมันมาจากเดี๋ยวลองปิดสิลองลองปิดอันนี้เสียงซ่าไม่มีอะไรใช่ไหมอ่มันอ้าวยังมีอยู่อะอ๋อโอเคนะก็เดี๋ยวลองไปสังเกตดูอาจารย์พึ่งมาอาจารย์ให้ถามก็คร <c oughs> <c oughs> าวที่แล้วก็มาจำหน้าได้เอง ออก็อยากได้อะไรสั้นๆที่อาจารย์จะแนะนำได้ว่าสำหรับคนที่แบบออไม่ไม่ได้นั่งสมาธิมาก่อนให้เป็นหลักเอาไว้แค่นิดเดียว อ, อยากได้แค่นั้นพราะว่ารู้สึกตัวเองมันนั่งเหมือนไม่ได้นั่งเราก่อนที่จะพูดถึงการนั่งสมาธินี่นะ สิ่งที้ผมเน้นเลยย้ําเลยกับทุกคนก็คือว่าวิธีคิดของเราเป็นยังไงเราต้องรู้ก่อนโครงสร้างจิตใจของเราเป็นยังไงถ้าเราไม่เห็นเราไม่เข้าใจเนี่ยบางทีไปนั่งสมาธิไปมันขัดกันในโครงสร้างจิตใจของเราอย่างของคุณเนี่ยโครงสร้างความคิดมันกระโดดไปกระโดดมานะคือคือมันคิดแบบ เป็นคนคิดแบบตึงตังเข้าใจคําว่าตึงตังไหมยคิดดังคิดแรงคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เนี่ยนะมันเหมือนคนคนพูดอยู่ข้างในมีเสียงชัดเคยรู้สึกไหมว่าเสียงของเราเนี่ยเสียงข้างนอกกับเสียงข้างในเนี่ยบางทีเกือบเท่ากันเลยของคนทั่วไปนะบางทีเนี่ยเวลาคิดมันจะรู้สึกเสียงเหมือนแผ่วๆเสียงเหมือนเสียงกระซิบ แต่ของเราเนี่ยมันเหมือนมีเสียงคนพูดอยู่ข้างในเลยเสียงเหมือนเสียงตอนที่เราออกเสียงเนี่ยเรียกว่าคิดแบบตึงตังมันคิดแรงเพ ร, เพราะงั้นเนี่ยเวลาที่นั่งสมาธิเราจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเคุยกับตัวเองตลอดนึกออกใช่ไหมเหมือ น, นพอหลับเอาสวดมนั่นล่ะกันอย่างสวดนม น, นี่ปากเราสวดอะไรไปเสร็จแล้วข้างในเนี่ย มันพูดไปอีกอย่างหนึ่งนี่พอเราเข้าใจว่าจิตของเราเป็นแบบนี้การทำสมาธิของเราจะเป็นจะออกตัวมาจากจุดที่มันเหมาะสมกับตัวเองนั่นคือไม่พยายามทำให้มันสงบเพราะอย่างนี้มันสงบไม่ได้หรอกนะในแบบทันทีทันใดเอาให้ได้ดังใจเนี่ยมันยากพอ มันเต็มไปด้วยความคิดของตัวเองอย่างเวลาฟังครูบาอาจารย์แนะนำหลักวิธีทำรรสมาธิมาบางทีมันเถียงอยู่ข้างในคือไม่ใช่เถียงแบบทะเลาะอะไรอย่างนั้นนะแต่มันเหมือนมีเสียงเสียงอื่นชวนให้ไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ก็เหมือนกับจะไม่ยอมทำ เพราะมันหยุดความคิดไม่ได้หยุดไอ้สิ่งที่เราอยากจะอยากจะคิดในแบบของเราไม่ได้อยากเป็นตัวของตัวเองเน่ะพูดง่ายๆลองดูนะข้างในเนี่ยความรู้สึกข้างในเนี่ยมันจะอยากเป็นตัวของตัวเองไม่อยากฟังใครเอออ่านั่นแหละนั่นแหละไอ้คำนั้นแหละที่จริงๆแล้วอยากจะพูดมันแกลง้งมันแบบมีอาการตึงตัง ไม่ยอมใครนี่พอเราเข้าใจว่าตัวเนี่ยภาพรวมของจิตเราภาพทางใจมันมีอาการเป็นแบบนี้ก็เริ่มต้นจากตัวเนี้ ย, ยอมรับตามจริงหลับตาเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมีคนพูดอยู่ในหัวเราก็ลองสังเกตดูว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยอาการคนพูดอยู่ในหัวเนี่ยมันต่างไปเรื่อยอยังไงนีน่อย่างตอนนี้มันสงบลงมันสงบลงเองเนะไม่ใช่ไปพยายามทําให้มันสงบเพรนี่ฝืนใจตัวเองไม่ได้หรอก ไปบังคับใจตัวเองไม่ได้หรอกเนี่ยที่มันมีแทรกแขึ้นมาแต่มันมันอ่อนกำลังลงพอเราดูอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้อย่างน้อยที่สุดมันได้หลักในการสังเกตความแตกต่างของจิตตอนที่มันตึงตังขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกแรงแรงมันจะรู้สึกเหมือนมีกำลังอะไรอยู่ข้างใน บางทีมีเสียงไวายๆเฮ้ยไม่ใช่หรอกอะไรอ ย, างงาอย่างน้นอย่างงี้เนี่ยนะแต่บางทีมันก็สงบลงไปแต่และลมหายใจมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันนี่อย่างตอนนี้มีอาการตุงๆอยู่นิดนึงแต่มันไม่ใช่เสียงมันไม่ได้เป็นเสียงเห็นความต่างไหมปกติมันจะเป็นออกมาเป็นเสียงอ่าพูดเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนนี้มันตุงๆ g อยู่เฉย เหมือนจะมีคําแต่ไม่มีคํานี่ก็คือการเห็นความแตกต่างนี่พอเมื่อไหร่เห็นอาการของความคิดเนี่ยทะลึ่งตึงตังขึ้นมาเราก็ยอมรับตามจริงเออเนี่ยมันมีอาการตึงตังขึ้นมาพอมันเริ่มโรยตัวลงสงบอย่างนี้เราก็เห็นว่าเออเนี่ยมันแตกต่างไปนี่คือการเห็นความจริง ไม่ใช่เห็นสิ่งที่เราคิดว่าจะให้มันเป็นไปเสร็จแล้วพอเราทําทั้งๆ ท, ท, ที่ลืมตานี่แหละทําอยู่ทั้งวันเห็นอยู่ทั้งวันจนกระทั่งรู้สึกถึงความแตกต่างในแต่ละขณะของจิตคราวนี้พอนั่งสมาธิมันจะไม่มีปัญหาละเพราะว่าพอนั่งสมาธิเราจะไม่เริ่มต้นด้วยความคาดหวังว่าจะให้มันสงบ สเปคของเราเนี่ยมันสงบอย่างง้นสงบอย่างเงี้ยมันถูกลบล้างไปเหลือแต่หลับตาลงเนี่ยเห็นความจริงไม่แตกต่างจากตอนที่ลืมตาอยู่บางทีมันก็มีเสียงดังๆขึ้นมาบางทีมันก็เสียงมันก็น้อยลงนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นเมฆหมอกความคิดเห็นไหมมันไม่ได้ออกมาเป็นเสียงชัดชัดแต่มันเป็นเมฆหมอกคล้ายๆวนๆวนๆแต่มันอ่อนกําลังลงนี่อย่างตอนนี้เริ่มสงบลงมา เห็นไหมตอนที่มันเริ่มสงบลงมาเนี่ยคือไม่ใช่เกิดจากการที่เราบังคับให้มันสงบแต่เป็นสภาพที่สติของเราเนี่ยมันยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นตามจริงในหัวของตัวเองนี่เรียกว่าเราเริ่มต้นจากจุดที่เราเป็นอยู่จริงๆไม่ใช่เริ่มต้นจากสเปกของคนอื่นว่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันเคย มันมีกรรมอยู่ตรงที่เป็นคนชอบเถียงบางทีไม่เถียงออกปากนะเถียงอยู่ในหัวพอเราเริ่มเห็นว่าเกิดอะไรเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นในหัวของเราแล้วมองเป็นแค่สภาพปรากฏการณ์เป็นสภาวะธรรมมันจะง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะต้องจัดการกับตัวเอง คือทะเลาะกับตัวเองเถียงกับตัวเองยังไม่จบแล้วก็จะไปทำสมาธิหรือไม่ทำสมาธิข้างหนึ่งบอกว่าให้ทำอีกข้างหนึ่งบอกไม่เอาไม่ใช่หรอกอย่างนี้มันก็ไม่เสร็จแต่พอเราเห็นว่าเออนี่แต่และลมหายใจมันเกิดความคิดอย่างนี้ยอมรับตามจริงอีกลมหายใจต่อมามันเกิดความคิดไปอีกอย่างหรือว่าโดยตัวอ่อนกาลังลงนี่ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาที่จะต้องมาทะเลาะกับตัวเองต่อ มันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆเรายอมรับหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นเหตุให้เกิดสติได้ทั้งหมดเช่นกันตัวสติเนี่ยสําคัญกว่าสมาธิเพราะถ้าไม่มีสติแล้วเนี่ยสมาธิของเราจะเป็นเป็นไ ป, นปนในแบบที่ว่าไม่รู้จะเอาตรงไหนกันแน่ไม่รู้จะให้มันจบตรงไหนกันแน่นะ แต่อย่างน้อยที่สุดเห็นนะว่ามันมีความจริงใจมีความเต็มใจที่จะเอาความรู้ที่จะเอาการปฏิบัติพอพอเียอย่างอย่างตอนนี้เรียกว่าภาวะจิตใกล้เคียงกับภาวะเป็นปกติสามัญไม่งั้นเนี่ยลองสังเกตตัวเองนะจิตมันจะโอเวอร์แอคทีฟมันจะเหมือนกับมีอะไรพิเศษอยู่ตลอด เหมือนกับมีอะไรไม่ธรรมดาอยู่ตลอดแต่ว่ามันมันสงบลงมาเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกเหมือนว่าเออไอความเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็คือภาวะปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งของใจไอตอนที่มันตึงตังมีอะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอีกภาวะหนึ่งเป็นภาวะปรุงแต่งที่มันแตกต่างกันเฉยเยคือเราแค่ให้คะแนนมันว่ามันแตกต่างกัน แต่ไม่ไปตีตราว่าอย่างนี้เรียกว่าธรรมดาสามัญอย่างนี้เรียกว่าพิเศษเพราะว่าไอ้ที่ไปให้ค่าว่าพิเศษหรือว่าธรรมดาเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะทําให้จิตไม่ปกติการเจริญสติจะไม่เกิดขึ้นแล้วมันถูกต้องไหมคะที่แบบเวลาพอเรานั่งหลับตาเนี่ยแล้วพอมันไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนั้นถ้าถ้ามันฟุ้งซ่านก็อย่านั่ง บรรทุกต้อง ก, ก็เลิกเลยแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรว่าแนวทางของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าแนวทางที่เราจะยอมรับความจริงแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคือการไม่หลีกหนีแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่เผชิญหน้าในลักษณะทา้าทายของคุณเนี่ยมันมีจิตชอบท้าทายอยู่ลึกๆมันมันมันไม่สนุก ถ้เกิดว่าไม่มีอะไรที่มาท้าทายสักนิดหนึ่งให้รู้สึกว่ามันกระตุ้นเนี่ยนี่เราก็แค่ทําความเข้าใจตัวเองว่าไอภาวะชอบชอบสิ่งท้าทายเนี่ยมันเหมือนตัวที่จะกระตุ้นให้จิตเนี่ยมันเกิดความพิเศษมันเกิดความแตกต่างไม่งั้นมันมันจะไม่ตื่นตัวนะ พอเห็นความจริงตรงนี้มันก็จะรู้สึกว่าเออแม้กระทั่งภาวะธรรมดาธรรมดามันก็สามารถกระตุ้นความสนใจเราได้เหมือนกันคือภาวะพิเศษเนี่ยเราก็ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นเพราะภาวะธรรมดามาเราเห็นมันโดยความเป็นของเปรียบเทียบไงว่ามันแตกต่างกันนี่อย่างนี้มันก็ล่อความสนใจเราได้ละดูไปเพื่อให้เห็นว่ามันแตกต่าง อาจาร์ก็แนะนำให้นั่งต่อไปก่อนใช่ไ้ยคะคือดูใจตัวเองในระหว่างวันอย่างที่ผ ม, มไล่มานะว่าเออมันบางทีมันมีอาการตึงตังเหมือนมีเสียงพูดอยู่ในหัวยังไงแล้วก็เห็นความแตกต่างเสร็จ แ, แล้วจากนั้นเนี่ยเวลาไปนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยก็เห็นแบบเดียวกันกับตอนที่ลืมตานั่นแหละแล้วเห็นเปรียบเทียบไปในแต่ละลมหายใจตัวนี้สติมันก็จะเกิดขึ้นโดย เป็นธรรมชาติไม่งั้นที่ผ่านมาเนี่ยความพยายามของเรามันเป็นความพยายามที่ฝืนธรรมชาตินะไม่เหมือนกับข้างในเนี่ยมันยังเถียงกับตัวเองไม่จบแต่เราจะไปอยากปักใจไปจะทําอะไรอย่างหนึ่งทั้งๆ ท, ที่เถียงยังไม่จบมันก็ยังคาใจไม่ใช่นั้นไม่คำว่านั่งต่อไปเนี่ยต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าจิตของเรามันเป็นแบบนี้นะ ให่นะุนให้พี่ตุนช่วยแนะนำเรื่องการภาวนาต่อคะ่ะถามอะไรหน่อยสิมันกว้างแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้หนูก็ว่าหนูตั้งใจมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมันก็จริงจิตเราสว่างขึ้นแต่ยังจิตเรามันจิตเรามันอยู่ในกระแสของบุญมากขึ้นนะเพราะว่าทำบุญหรือเปล่าคะ่ะ มันทิ้งความคิดที่เป็นอะไรหยุมหยิมออกไปเยอะด้วยเมื่อก่อนมันคิดหยุมหยิมมากคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องตลอด<ม>นะแล้วก็อันนี้พูดกันตรงๆนะ<ม>คุยคุยกันแบบคือเราเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาก่อให้เกิดโทสะ<ม>ไม่เลิกแล้วเป็นคนขี้งดหงิดพอไม่ได้ยางใจก็แบบจะ ง, งดหงิดตลอดไม่เลิกแต่ทีเนี้ยเอ่อ คือมันโอเคจิตมันไปจับกับความเป็นบุญมากขึ้นเรื่องบุญเรื่องอุศนแต่ว่าสาเหตุสาคัญที่ทำให้ใจมันเข้ากระแสบุญจริงๆเนี่ยก็คือว่าเมื่อเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาในหัวเราเนี่ยเราพยายามที่จะขับไล่มันออกไปไอ้นี่มันยังอยู่ในขั้นของการพยายามขับไล่อยู่นะจริงๆขั้นที่เป็นการจเจริญสติเนี่ยคือการเห็นตามจริง ว่ามีภาวะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นภาวะที่เป็นลบเป็นภาวะที่เป็นอกุศลเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเรียกว่าเปิดสบายไม่ไม่มีไอ้สภาพที่มันเป็นอกุศลเกาะอยู่ในหัวแต่พอเราอยู่ของเราเองเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะคล้ายๆว่าสั่งตัวเองเนี่ไม่เอาไม่เอาเนี่ยประมาณอย่างนั้นเนี่ยแต่มไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะทีบางทีก็แพ้ บางทีมันกออ็คือทำเป็นลืมๆทำเป็นไม่ใส่ใจซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกต้องร้อเเตแต่อย่างน้อยที่สุดมันเข้ากระแสบุญมันจะทำให้เปลี่ยนจากมืดร้อนกลายเป็นสว่างแล้วก็เย็นแต่มันยังไม่เต็มที่เราจะรู้สึกถึงว่ามันยังมีคาคามันยังไม่จบ หยู่ในหัวหูว่าให้ดูที่มันขัดกันหนูว่าพยายามดูตรงนั้นหนูว่ามันก็ดีขึ้นคือเราเห็นตรงนั้นจริงแต่ว่าเรายังชอบสั่งตัวเองอยู่บอกไม่เอาหรือว่าแบบคล้ายๆเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราไม่พอใจคนเราบอกไม่เอาหน้าอะไรอย่างเงี้ยไยอันนี้คือกลายเป็นพอมีความคิดอะไรที่มันร้อนๆ อ, อยู่เนี่ย เราก็บอกตัวเองว่าไม่เอาหน้าอะไรเงี้ยที่บางทีมันออกมาชัดๆว่าเราสั่งตัวเองอย่างนั้นแต่บางทีมันเป็นแค่อาการที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยมันไม่ควรเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งอันนี้เนี่ยนะในมุมมองของพี่ก็คือว่าจิตของเราสว่างขึ้นเป็นเป็นเกาะอยู่กับบุญมากขึ้นหรือว่าเข้ากระแสบุญเนี่ยก็เกิดจากการที่เราทวนกระแสของเดิม นกระแสความเคยเชินแบบเดิมซึ่งดีแต่ว่ามันยังทำได้ดีกว่านี้อีกเยอะคือว่าพอพอตอนที่เราเกิดความรู้สึก ข, ขัดแย้งเนี่ยเราไม่ได้เห็นอาการขัดแย้งอย่างเดียวใใคล้ายๆกับเรามีมีชุดคำสั่งที่มันเกาะอยู่ในหัวนิดนึงนี่ถ้า คำว่าช่วยคาสั่งหมายว่าเราเราโปรแกรมตัวเองไว้อว่าีจะไม่เอาเรื่องนี้มันมันยังมีอาการฝืนใจอยู่ซึ่งโดยธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ชอบความฝืนใจมันชอบตามใจตัวเองอ่านี่พอเราเห็นพอย n t ที่จะสังเกตนะต่อไปเราก็ดูว่าอาการฝืนใจตรงนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้น้องว่ามันเป็นความขัดแย้งเนี่ยนะ เกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนและลมหายใจต่อมาความฝืนใจนั้นเนี่ยมันตาตัวลงไหมมันสล า, ายตัวไปไหมหรือว่ามันยังอยู่เท่าเดิมหรือว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมคือมันจะแตกต่างไปนะเดิมเนี่ยเหมือนไงเราเราเห็นมันด้วยอาการปฏิเสธเหมือนมีชุดคําสั่งที่จะลบจะลบมันอิเลสมันออกไปนั่นคือพฤติฤตทางจิต เป็นพฤติกรรมทางจิตที่มันเกิดขึ้นแต่ที่พี่ให้สังเกตต่อไปก็คือว่าเมื่อเกิดความรู้สึกฝืนใจเมื่อเกิดความรู้สึกขัดแยง้งนะให้สังเกตว่าในลมหายใจนั้นเนี่ยมันมีความขัดแยง้งมันมีความฝืนใจอยู่เท่านี้ยอมรับตามจริงเสร็จแล้วลมหายใจต่อมาเราสังเกตต่อเออมันมันยังมีความฝืนใจแบบเดิมไมเนี่ยยังพอฟังพี่พูดเนี่ยมันหายไปเลย นี่เรียกว่าถ้าเราไปสังเกตเองแล้วเห็นอย่างนี้ก็หมายความว่าเราเห็นถึงความไม่เที่ยงชนิดเฉียบพลันคือพอเห็นปุ๊บแล้วมันหายไปแต่เวลาเราไปอยู่คนเดียวมันไม่ใช่แบบนี้มันจะยังมีอาการคาต่อพี่ก็ให้สังเกตนะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะหายไปแต่ให้สังเกตว่าเออเนี่ยลมหายใจนี้มันมีเท่านี้ยอมรับตามจริงและอีกลมหายใจต่อมา มันน้อยลงหรือว่ามันมากขึ้นคืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะน้อยลงอย่างเดียวบางทีมันจะมากขึ้นก็ได้ประเด็นคือเราได้เห็นความไม่เท่าเดิมในแต่ละลมหายใจเพราะเห็นไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยคือมันจะพัฒนาขึ้นไปอีกจากอาการที่ว่าใจเราเนี่ยเข้าเข้าสู่กระแสบุญเนี่ยมันเหนือบุญเข้าไปอีกคือการจเจริญสติเนี่ย น, นะมันเป็นมันยืนพื้นอยู่บนบุญกุศล แต่ว่าพอได้เจริญสติจริงๆแล้วเนี่ยมันเหนือกว่าบุญขึ้นไปคือมันมีความสว่างอีกแบบเป็นความสว่างแบบโปร่งใสสว่างแบบไม่มีตัวไม่มีตนคือเราจะเห็นว่าไอ้ลักษณะของความฝืนใจลักษณะของความขัดแย้งอะไรที่มันก่อตัวขึ้นในใจของเราเนี่ยมันเป็นภาวะชั่วคราวไม่ใช่เราณตรงนั้นมันจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าถูกหรือผิดอย่างที่ผ่านมามันยังยึดอยู่ว่าถ้าทําได้แปลว่าถูกแปลว่าดี ถ้าทำไม่ได้แปลว่ายังใช้ไม่ได้นี่ตัวนี้เรียกว่ามันยังติดอยู่แค่ที่ว่าถ้าทําได้เป็นบุญถ้าทําไม่ได้เป็นบาปมันยังเปลือกกล้วอยู่ระหว่างดีกับชั่วแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าทั้งบาปทั้งบุญทั้งดีทั้งชั่วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะชั่วคราวเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งมันต่างไปเป็นอื่นเนี่ยตัวนี้เราจะไม่ยึดทั้งสองอย่าง ไม่รู้สึกว่าเราเป็นทั้งฝ่ายบุญไม่รู้สึกว่าเราเป็นทั้งฝ่ายบาปมีแต่ความโปร่งเบามีแต่ความไม่มีตัวตนอยู่ถ้าถ้าฟังเราไม่เข้าใจทั้งหมดเนะี่ยเดี๋ยวค่อยๆทำอย่างที่พี่ว่าไปแล้วเราจะค่อยๆเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ขอให้รู้ตัวว่าอยู่ในขั้นที่ว่าเออมันเข้าเข้ากระแสบุญละ มันยังพัฒนาขึ้นไปได้แต่นั่งสมาธิอะค่ะหนูก็นั่งไม่สงบหนูก็ดูแต่ความไม่สงบที่ไม่สงบเพราะว่าวิธีคิดมันยังเป็นวิธีคิดแบบ เ, เคยชินอยู่กับอาการไม่พอใจตัวเองไม่พอใจภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานะแม้แต่คลื่นความคิดที่มันรบกวนอยู่ในหัวเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจได้ พอเรามาเริ่มสังเกตใหม่ว่าเออไอตัวพอใจตัวไม่พอใจเนี่ยมันก็เป็นแค่ภาวะรบกวนจิตใจชนิดหนึ่งผ่านมาแล้วผ่านไปแต่และลมหายใจไม่เท่ากันเริ่มสังเกตเห็นความไม่เหมือนเดิมตัวนี้จะทําให้ค่อยๆนั่งสมาธิได้คือที่ที่มันสิ่งที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราหลับตาเนี่ยคลื่นความคิดวิธีคิดแบบเก่าๆมันจะกลับมา ได้คลื่นความคิดแบบนั้นแหละที่มันห้ามห้ามภาวะของสมาธิแต่ยังถ้าขึ้นต้นมาแล้วยังยงเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราดูมือดูเท้าอะไรเนี่ยเราโอเคนะแต่พอรู้สึกถึงคลื่นรบกวนในหัวเนี่ยเราไปไม่ถูกละทั้งทั้งที่ฟังพี่พูดอยู่นั่นเป็นเพราะว่าของเก่าของเราของเดิมที่มันสะสมมาจนกระทั่ง มันเหนียวแน่นแล้วเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยคือวิธีคิดในแบบที่มันไม่จบมันไม่ยอมนี่ถ้าหากว่าเราค่อยๆใช้ชีวิตไปในแบบที่มันจะเย็นลงเรื่อยๆทั้งวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำกับคนอื่นปฏิบัติกับคนอื่นในแบบที่ให้เกียรติเขานะแล้วก็มีความ อ, อ, อยากจะทำให้เขามีความสุขนะมันไอ เวลาที่หลับตาไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าขึ้นความคิดของเร า, ตาแตกต่างไปตอนนี้จิตกุศลจิตที่มันเกิดขึ้นชัดที่สุดตอนคือตอนที่เราเนี่ยอย่งคุยกันเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยเราะรู้สึกว่าสบายสบายใจแต่พอยังเรื่องอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าคว า, ความคิดรบกวนในเลยมันจะยังมีอยู่เยอะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้เพราะว่าเคยทํามาเยอะนะเคยทํากับคนอื่นมาเยอะ เนี่แต่ว่าการเจริญสติการทําให้วิปัสสนาเจริญขึ้นในเรานี่แหละคือทางแก้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้ในสังสารวัฏเราเกิดมาชาติเนี้ยเจอพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดวนนิจังเนี่ยนะมันโชคดีที่สุดแล้วมีวัสนาสงที่สุดแล้วกว่าทุกบภุกชชาติที่ผ่านมาที่ไม่เจอพุทธศาสนาเพราะว่าคนเนี่ย ต่อให้เป็นศาสดาของศาสนาอื่นนะมีความรู้แค่ไหนมีความเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณแค่ไหนแต่มันแนะนํากันไม่ถูกว่าจะให้แก้นิสัยเก่ายัางไงส่วนใหญ่ก็ให้ผืนใจแล้วก็ตั้งใจใหม่แต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ยอมรับตามจริงเมื่อเกิดอะไรขึ้นแล้วพอมันยอมรับตามจริงแนละ้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นเป็นสาภาวะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเคลียร์ออกหมดใ้ตัวตนแบบเก่าเก่าแล้วก็ ความสว่างที่เกิดขึ้นมันจะสว่างทั้งในขณะที่เรากำลังคิดแบบใหม่พูดแบบใหม่ทำแบบใหม่เนี่ยแบบที่มันจะเป็นไปในกระแสกุศลนะมันจะเห็นเลยว่าเออเนี่ยแม้แต่ไอสิ่งที่เราพูดวิธีใหม่วิธีคิดแบบใหม่นะที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็เป็นแค่กรรมมันก็เป็นแค่ของปรุงแต่งจิตคือไม่ได้มีตัวตนแบบนี้อยู่ก่อน ตัวตนแบบเดิมมันก็แค่กรรมในแบบที่ปรุงแต่งทางความคิดปรุงแต่งทงคำคําพูดในแบบเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าในแบบที่มันจะคล้อยตามโทสะคือในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมที่มันพาไปให้ไปสู่ความสว่างบ้างความมืดบ้างอย่างของเดิมของเราเนี่ยมันก็มากับความสว่างแต่คนนะสัตว์โลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย เกิดมาแล้วมันลืมเกิดไปทําบุญอะไรมาถึงมาเป็นแบบนี้บางทีมันรู้สึกอยู่ลึกๆเราเป็นคนดีแต่พฤติกรรมบางทีมันสวนทางมันอยากแต่เอาจะเอาแต่ใจเพราะมันรู้สึกว่ามีแต่ดีกับดีอะต้นทุนที่มันตั้งต้นขึ้นมาให้ให้เข้าสู่การรับรู้ครั้งแรกรู้สึกว่ามีแต่ดีก็ดีมันก็ได้ใจ ใหความได้ใจนี่แหละทำให้หลงทําอะไรที่มันคล้อยตามกิเลสไม่ใช่คล้อยตามสติและปัญญานี่พอเนี่ยเริ่มกระบวนการย้อนกลับนะทวนทวนกลับไปหาต้นต่อเดิมก่อนเกิดมามันมีความสว่างมันมีบุญนราจะรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ใช้เวลาทําอะไรมากมายขอแค่ทําในสิ่งที่มันถูกต้อง อยู่ในใจมันเกิดความรู้สึกสว่างขึ้นมามันเกิดความรู้สึกว่าแตกต่างไปนะนี้มันก็จะแตกต่างไปอีกถ้าหากว่าเราค่อยๆพัฒนาค่อยๆจะเดินส ต, ติในวิถีทางที่มันจะทําให้เกิดการเห็นว่าอะไรอะไรทั้งหลายที่มันก่อตัวขึ้นมาในหัวเราเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมตามวิธีคิดวิธีพูดแล้วก็วิธีปฏิบัติต่อคนอื่นนับสรุปโดย ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยนะที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราเลยมันมีแต่สภาพธรรมที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะของความสว่างบ้างความมืดบ้างครั้งที่แล้วมาหานะคะก็พี่ตุลแนะนำให้เอาเสียงพี่ตุลตอนนั่งสมาธิะคะ่ะตอนนี้ก็เปิดทุกวันก่อนนั่งสมาธิะคะ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วสงบขึ้นไม่ไม่เพ่งมากเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วกต็ตอนนี้เลิกฟังได้แล้ว เพราะว่านี่นี่เริ่มเริ่มที่จะเข้าใจแต่ก่อนพอนั่งแล้วหลงทางไงก็เลยต้องเอาอตรงนี้มาเป็นไกด์แต่ตอนนี้มันเริ่มจำวิธีเข้าได้ชัดเจนขึ้นแล้วมันมีสเต็ปแล้วก็เราจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันมีความอยู่ตัวบางอย่างดูว่านั่งปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องฟังอะไรมันมันมีความเข้าที่เข้าทางมันจะรู้สึกเหมือนมีกำลังความสว่าง บางอย่างที่มันค้าให้ให้มีความรู้สึกนิ่งอยู่ได้นะจับจับจากตรงนั้นนะี่ยเป็นหลักมันจะได้เป็นที่พึ่งให้ตัวเองคือถ้าฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาเสียงเป็นที่พึ่งนะแต่มันก็จะแบบมันจะสบายนั่งสบายแต่ยังไม่ทันยังไม่ยังไม่ถึงขนาดจับลมหายใจ ม, มั น, นจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแต่เดิมเนี่ยคือของเรามัน เป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นนะแล้วก็มันมันจะออกแนวโทสะจริตโมโหลด้อะไรแบบนี้เน่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งตกค้างคือรู้สึกถึงแรงอัดหรือว่ารู้สึกว่าเวลาที่สว่างเนี่ยมันสว่างไม่เต็มมันจะเหมือนมีอะไรมืดๆเนี่ยคอยหวนกลับมามแต่แต่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ดีเพราะว่าเวลาสว่างมันสว่างชัด แล้วเวลาที่มันเหมือนจะมีหลุมดํากลับมาดึงดูดเข้าหาความมืดเนี่ยมันก็จะเป็นความมืดที่ชัดเช่นกันคือความมืดกับสว่างชัดเนี่ยเราบอกตัวเองไว้ล่วงหน้าว่าเนี่ยถ้าสว่างเรียกว่ากุศลจิตถ้ามืดเรียกว่าอากุศลจิตตัวเนี้ยมันจะทําให้เห็นว่านี่เขาเรียกภาวะจริงๆภาวะมืดภาวะสว่างของคนของคนส่วนใหญ่มันไม่ชัดมันมัว สลัวสลัวแบบเทาสีเทาแต่ของเราเนี่ยช่วงนี้พอเวลาที่นั่งสมาธิมันมาปรากฏชัดเลยมืดเป็นมืดสว่างเป็นสว่างคือสว่างสว่างอยู่เนี่ยใจของของเราเนี่ยนะใจมันจะออกแบบกว้างแต่เวล้าอยู่ๆเนี่ยมันจะมามีกระจุกความมืดก่อตัวขึ้นแถวๆเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมันมืดๆอยู่มันมัน จะงงๆว่มันสว่างหรือมันมืดกันแน่นี่เราเข้าทางแล้วหรือว่ามันยังเป๋ๆอยู่กันแน่นี้แทนที่เราจะไปสงสัยซึ่งนั่นเป็นวิจิตรฉาชนิดหนึ่งนะเป็นตัวนิวร์ชนิดหนึ่งทําให้การเจริญสติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเราตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ว่าสว่างก็ส่วนสว่างนะเป็นกุศลจิตส่วนไอ้ที่มันมีอะไรมืดๆตกค้างอยู่เป็นกระจุกความคิด แบบเก่าๆที่มันยังล้างไม่หมดนะมันยังใช้กรรมไม่หมดเราก็เห็นไปว่านั่นน่ะเป็นหลุมดำเป็นตัวเหตุปัใจจัยให้เกิดอกุศลจิตเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏปรุงแต่งจิตใจแล้วทำให้มืดนั่นเป็น ส, ภ า, สภาพธรรมที่เรียกว่าอากุศลเสมอนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราแปะป้ายไว้ว่าเป็นอกุศลธรรมนะอย่างน้อยนะถึงแม้ว่ามันยังคงอยู่แต่เราได้เห็น คือประโยชน์เนี่ยก็คือเราได้เห็นความแตกต่างมันไม่ใช่มีแต่อะไรสว่างสว่างให้ดูถ้าเดียวมันมีความมืดให้ดูด้วยซึ่งมันทําให้เราได้เข้าใจว่าสภาวะจริงๆที่เขาเรียกว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวปิดไหม่นี้พอเราเริ่มเหมือนกับเลิกสงสัยได้นะว่าเอ๊ะทำไมมันมืดมืดเอ๊ะทำไมตรงนี้ใจมัน มันเหมือนสว่างตกลงสว่างหรือมืดกันแน่แทนที่จะไปสงสัยอย่างนี้เราเห็นไปเลยว่านี่สว่างสว่างที่ใจแต่มันมืดอยู่ตรงที่เชื้อทาความคิดมันสะสมมาเยอะในอะไรที่มันนะความคิดแบบโหดๆนะนี่อะไรที่มันมืดๆเนี่ยมันมันยังติดมันยังเกาะติดอยู่คือถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับ ยังมีไอการปรุงแต่งการทำงานของสมองบางส่วนที่มันมันเข้าเข้าหมดความเคยชินที่จะคิดในด้านลบคิดในด้านร้ายแต่พอกระบวนการทางจิตของเราแตกต่างไปนะคือเนี่ยเรามานั่งทำสมาธิบางทีเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเปล่งสว่างออกมาจากตรงกลางเี้ยนะมันมันก็จะค่อยๆ ทำให้คลื่นความคิดวิธีคิดเนี่ยมันแตกต่างไปจริงๆริงมันจะไปถึงสมองนระบบการทํางานของสมองโหมดของสมองเนี่ยเวลาคิดมันจะไม่คิดเป็นลบแต่ก่อนมันคิดเป็นลบไว้ก่อนตอนเนี้มันจะค่อยๆเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นบวกนะแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วการที่เราค่อยๆรับรู้อยู่นั่นแหละว่าเดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็มืดมืดอยู่ตรงไหนสว่างอยู่ตรงไหน เห็นมันด้วยอาการที่ยอมรับอยู่เฉยๆนี่นี่อย่างตอนเนี้ยพอฟังพี่พูดไปเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันมันมันเคลียร์ขึ้นตรงตรงที่เคลียร์ขึ้นเนี่ยมันก็คือส่วนของกุศลที่เพิ่มขึ้นมากุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นมาอย่างช่วงนี้เวลาที่เราไม่พอใจอะไรใครเนี่ยมันขัดแยง้งกับตัวเองน้อยลงแต่มันยังมีความขัดแย้งอยู่ระหว่าง อ, อ, อยากจะดา่า อยากจะให้อภัยอะไรเงี้ยคือคืออยากแกล้งเวลาอาภัยถ้าจะอภัยจริงเนี่ยต้องไม่ใช่ด้วยการแกล้งแกล้งสั่งตัวเองนะถ้ายังยังก้้มกึ่งอยู่ระหว่างอยากด่าอยากอาภัยเนี่ยไอ้ตัวความอยากนั่นแหละแสดงความไม่จริงแสดงความไม่ใช่ของแท้เพราะมันยังมีอาการอยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจมันรู้สึกว่าเออเนี่ยยอมรับนะว่ามีความรู้สึกขัดเคืองอยู่ แตอีกใจหนึ่งเออมันมันไม่อยากเสียไม่อยากเสียจิตนะอยากจะพัฒนาเป็นในเส้นทางที่เราเลือกแล้วว่าเราจะเอาอย่างนี้แหละมันจะเห็นนะอาการสองจิตสองใจนั้นน่เออจริงๆแล้วเนะี่ยมันมันเกิดขึ้นคนละวาระตอนที่เรารู้สึกขัดเคืองมันคือวาระแรกที่รับแรงกระทบเข้ามา แล้วเกิดความรู้สึกคุนเคืองวาระที่สองคือรู้สึกเข้ามาที่ใจตอนหลังๆเนี่ยเราจะสังเกต น, นะคือมันมันรู้สึกเข้ามาข้างในแล้วแบบคล้ายๆว่าพอมีอะไร ม, ม, มัวมัวคุณคุณเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่อยากเสียเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามจริงมันไม่มีตัวความอยาก ตกลงจะอยากหนาหรืออยากให้อภัยมันไม่มีความอยากมันมีแต่ตัวความเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ภัสสะกระทบกายความรู้สึกที่มันเป็นปฏิกิริยาทางใจว่าเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยคือใจมันไม่เถียงกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับตัวเองมีแต่ความปลอดโป ร, โรง่งคือยอมรับว่ามันขัดเคืองแล้วก็ไม่ได้แกล้งให้อภัย แต่มันหายไปเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นภาวะมีภาษากระทบมีปฏิกิริยาทางใจแล้วไม่เห็นมีตัวเราเลยมีแต่อะไรอย่างหนึง่งกระทบเข้ามาแล้วก็มีปฏิกิริยาส่วน้ำไปแล้วจบนี่คือท่าทีที่ถูกต้องที่จะต้องเอาไปพัฒนาต่อนะแล้วพอเราทําอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเวลานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่าจิตมันเต็มขึ้นตั้งแต่แรกเลย คือตรงนี้จําไว้เลยนะอย่าไปพยายามขับไล่อย่าทาลายอย่าพยายามทำให้มันมีสภาพอะไรที่ เ, เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ให้เห็นตามที่มันเป็นอยู่ให้เราเห็นมันจะมืดแค่ไหนเนี่ยเรารู้ไปแต่ละลมหายใจแล้วก็กสังเกตเออมันบางทีมันมีอาการเหมือนกดกดด้วยนะมีอาการเหมือนหนักๆคล้ายๆมีอะไรมาโปะอยู่แล้วก็ดูว่าอาการหนักๆตรงนั้นเนี่ย เออมันเท่าเดิมอยู่ในแต่ละลมหายใจไหมหรือว่าต่างไปเบาบ้างหนักบ้างเห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวอย่าไปเห็นอะไรอย่างอื่นนะเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นของจริงที่สุดแต่ที่เราอยากให้มันเป็นไปนั่นแหละของไม่จริงที่สุดเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วนุ๊ตรู้สึกว่ามันมีปวดปว ด, ดนี่คือตรงนี้คือมืดมืดเหรอคะนั่นแหละต ร, ตรงนั้นแหล ะ, หละคื อ, อคือพอเราดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะ มันมันจะรู้สึกคล้ายๆเงี้ยตอนเนี้มันยังไม่เคลียวไปหมดไม่ได้เปิดโล่งนะแต่อย่างน้อยมันไม่กดนี่ก็คือความต่างคือเราเห็นไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนมีอะไรกดลงมาบางทีมันคาคาอยู่บางทีมันหายไปเลยอืมพอเราไปพยายามที่จะคลายหรือว่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะบอกเรากลับมาว่ามันไม่ยอม แต่ถ้าเราเห็นมันเอออยากเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปขอเราดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะยอมอครับสวัสดีครับพ<อ>ี่คือขอเรียนถามมีปัญห า, านรื่นึงคราวที่แล้วคุณตุลบอกว่าให้พยายามมาดูที่กายกับใจอันนี้ปกติมันดูจิตใช่ไหมคะพอดูกายแล้วมันกายมันหายเรื่อยเลยก็เราจะดูอะไรตอ่อไม่ถ้าถ้าดูอย่างเงี้ยโอเคนะคือดู อย่างที่ว่าเราจะเขียนอะไรก่อนแลถ้าอะไรตรงนั้นหายไปไม่เป็นไรแต่มันเป็นไปตามลําดับไงนะ อ, อ, อย่างเนี้ยมันดูบาลานซ์ขึ้นเยอะไม่งั้นคือมันจงใจที่จะไปดูอะไรเป็นนามธรรมมากเกินไปเนี่อย่างตอนนี้พี่จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นที่เรียนถามอีกอันอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ย มันจะเกิดเป็นบุญกุศลเมือคือเราไม่ได้เข้าชานอะไรเงี้ยมันจะมีบุญกุศลพอที่จะเราจะเกิดขึ้นไหมคะคือการได้มรรคผลนิพพานเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่เกิดระหว่างมีชีวิตเนี่ยแต่คนที่จเจริญสติไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งใกล้าตายเนี่ยมันดูเข้ามาที่ความรู้สึกในใกลยในใจที่กำลังจะดับไปมันจะเห็นชัดชัดแจ๋วเลย ชัดกว่าทุกครั้งที่ทุกนาทีที่ผ่านมาในชีวิตรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เราจริงๆด้วยในที่มันกำลังจะตายไปเนี่ยจะเห็นเหมือนอะไรที่แบบเป็นฟองสบู่หรือว่าเป็นของสมมติหรือว่าความฝันอะไรทั้งอย่างที่เรายึดอะไรไว้ไม่ได้เลยจับต้องอะไรไว้ไม่ได้เลยคว้าอะไรไว้ไม่ได้เลยเนี่ยไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยใจมันจะปล่อยจริงๆ ล, ลักษณะของจิตก่อนตายเวลาที่ มันจวนเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยนะมันจะมีความหนักแน่นคือไม่ใช่หนักแน่นในแบบของการเข้าสมาธิแต่หนักแน่นของมันเองที่จะแนวเข้าสู่ภาวะของการดับนะตรงนั้นเนี่ยถ้ามันดับจิตขนาดจะดับเนี่ยมันดับไปจ ะ, จะดับพร้อมกับปัญญาเห็นว่ากายใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของของเราที่จะยึดถือไว้เนี่ย วันนี้แหละมันมันจะบวกกับบุญที่ทำมาทั้งหมดทั้งศรัท ธ, ธาพระพุทธเจ้าทั้งศึกษาธรรมะจนกระทั่งเป็นสัมมาทิฏฐิเออชื่อแล้วยอมเต็มที่แล้วว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะมารวมเข้าที่จิตนั้นแล้วก็เกิดการโพ่งบรรลุขึ้นมาการที่เราปฏิบัติไปแล้วมัวแต่ตั้งคำถามว่ามันจะมีสิทธิ์ไมเนี่ยนะมันก่อวิจิตกิจชาขึ้นมาเปล่าเล่า เสียประโยชน์ไ ป, ปเปล่าเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราเห็นวิจิกริชนั้นเป็นแค่สภาวะแทรกแซงเป็ น, เ ป, นเป็นแค่ภาวะคลื่นรบกวนให้จิตใจมันเป๋นะตัวเนี้มันจะได้ประโยชน์คือรู้สึกว่าวิจิริชาเกิดขึ้นอย่างตู๋นเปล่าไม่มีประโยชน์เรามั่นใจก็แล้วกันว่าเราทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะในที่สุดแล้วมันไม่ไปไหนนะถ้า วันนี้เราทำแล้วพรุ่งนี้เรายังจําได้ว่าเออเนี่ยเราพิจารณากายใจยังไงไม่ใช่ตัวตนยังไงไม่เที่ยงยังไงไอ้ตอนก่อนตายมันก็ต้องจําได้เหมือนกันแล้วถ้าตอนก่อนตายจําได้เนี่ยตัวเนี้ยเป็นภาวะที่สําคัญที่สุดนะคือเวลาที่เขาจะประมวลผลเนี่ยจิตเขาไม่ได้เอาตามใจเอาตามความคิดเรานะแต่เอาตามไอ้สภาพธรรมที่เราสั่งสมมา ถ้าเราสั่งสมมาจริงเนี่ยจิตเขาก็ทําจริงเหมือนกันประมวลจริงเหมือนกันในขณะก่อนใกล้ดับว่าเออมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆด้วยจะดูลมหายใจก็ตามจะดูสภาวะจิตก็ตามในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เต็มๆเนี่ยมันจะเห็นยังไงมันไม่สําคัญเท่ากับที่ว่าเราได้ข้อสรุปยังไงคือถ้าข้อสรุปของเราจริงๆเนี่ยเชื่อว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราก่อนตายไม่ต้องเป็นห่วงเลย เพราะว่าคือภาะวะก่อนตายเนี่ยมันเอามาฉายให้ดูซ้ำๆไม่ได้มันเกิดขึ้นครั้งเดียวในชีวิตแต่ขอให้ทราบไปล่วงหน้าว่าเป็นภาะวะที่ไม่เหมือนจิตปกติมันจะเป็นจิตอีกแบบหนึ่งที่มีความแน่วเข้าไปแน่วเข้าไปสู่ความดับมันจะมีความเป็นอีกแบบแคล้ายๆเป็นตัวเราอี ก, อกคนหนึ่งนะที่จัดการ ทำหน้าที่รู้รู้ดีว่าจะต้องทำยังไงกับตัวเองในที่รู้ดีว่าจะทำยังไงก็คือการประมวลเข้ามาว่าทั้งชาติเนี่ยเราทำอะไรไว้โดยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนตายอาสะสมสิ่งที่มันจะทำให้จิตนะอยู่ในทิศทางเห็นกายใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่มีทางพลาดหรอกนะคือตอนนี้คือเป็น เป็นปวดประสาทเ้นติห้ามันออกเสียงนานไม่ค่อยได้สวดมนต์ไม่มีเสียงนี่มันพอได้ไหมคะเวลาสวดมนต์มันสวดไม่ได้เพราะว่ามันจะปวดมันเหมือนไฟช็อตอยู่ในปาะมันไม่มีมิธีรักษาแล้ไอ้อประสาท ต, ตรงเนี้ยหมอแนะนำว่างไงฝังเข็มนี่ถ้าถ้าเจอหมอเก่งๆนะจะช่วยได้นะมัน จิตของพี่เวลาที่ส่วนมนตเนี่ยมันมีความตั้งใจจริงนะแล้ว เ, เสียงที่เกิดขึ้นมันก็ชัดเจนพอสมควรก็ถือว่าโอเคนะทีนี้คือดูว่าความตั้งใจเนี่ยเข้มเกินไปหรือเปล่าในบางครั้งถ้าเข้มเกินไปก็วิธีดูง่ายๆนะถ้าเข้มเกินไปเนี่ยจิตเราจะแคบๆเราจะเหมือ น, นมาตั้งใจอยู่ตรงหน้า แต่ถ้ามันเปิดสบายเนี่ยมันจะรู้สึกว่าใจมันกว้างออกไปแล้วก็นึกคือเสียงสวดมนต์ยังชัดแต่ว่าใจเนี่ยมันสบายกว่าตอนที่มันตั้งใจมากเกินไปนะไม่ต้องห่วงหรอกว่าพี่ยังทำอะไรไม่ครบยังทำอะไรไม่เพอร์เฟกนะเพราะว่าเวลาที่เขาตัดสินกันเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินกันที่ความเพอร์เฟ เขตาตัดกันสินกันที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันสว่างอยู่เป็นกุศลหรือว่ามันมืดเป็นอกุศลไอ้นี่มันมันเป็นกุศลอยู่ชัดๆอันนี้คือก็ไม่ต้องตั้งใจอะไรให้มันเกินกว่าที่เราจะสามารถทําได้เพราะว่ายิ่งตั้งใจมากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งกลายก่อตัวขึ้นเป็นความกังวลเล็กๆพอเกิดความกังวลขึ้นเนี่ยให้พี่เราตี้บอกตัวเองว่านั่นเป็นส่วนเกิน ไม่จําเป็นต้องมีส่วนนี้นะเด็กเคพี่ตุลแนะนําเรื่องภาวนาต่อคะ่ะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วก็แนวทางต่อไปจะพัฒนาไปได้ยังไงอะค่ะอันนี้เขาไม่ได้เรียกคําถามนะเขาเรียกคําขอนะียเอาเอาคำคำถามทั้งสั้นๆเนยสงสัยอะไรเนี่ยหนูสงสัยเหลือเกินเนี่ยวันนี้อยากได้คําตอบเนี่ยเออค่ะก็ ฝึกมองตัวเองอยู่อ่ะค่ะก็เห็นทั้งความกังวลกังวายแต่มันน้อยลงนะเห็นทั้งความฟุ้งซ่านอย่างอย่างความเจ้าโทสะมันน้อยลงค่ะเดี๋ยวนี้ตัดได้ไว ต, ตามตามเหตุนะคะพี่ตุลค่ะคือแต่ก่อนเนี้ยเราฟุ้งซ่านหนักกว่า น, นี้มากแต่ตอนนี้เห็นว่ามันฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมเป็นเพราะว่าใจของเราเบากว่าแต่ก่อน มันถึงเห็นเพราะฉะนั้นคําถามที่ถูกต้องคือว่าทํายังไงเราจะใช้ประโยชน์จากความฟุ้งซ่านที่เหลืออยู่คเพราะไม่งั้นมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ก้าวหน้าเลยทั้งๆ ท, ที่จริงๆมันก้าวหน้าไปตั้งเยอะแล้วโทสะมันก็น้อยลงนะเออแล้วก็ไอความ คือความคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องมันยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่คิดมันไม่คิดแบบเอาจิงเอาจังแต่ก่อนเนี่ยคิดไม่เป็นเรื่องและเอาจริงเอาจังเห็นความต่างไหมตอนเนี้ยพอเราคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยแต่มันมันคล้ายๆใจเลื่อนลอยไปเฉยๆแต่เราไม่เอากับมันเราเห็นว่ามันไม่ดีใช่ น, นี่นี่คือความแตกต่างสิ่งต่อมาที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ นอกจากการเห็นความแตกต่างไปก็คือนะไอความพุ้งสั้นความเลื่อนลอยนั้นนะมันแสดงสภาวะของใจที่กำลังปรากฏขึ้นจริ ง, รงๆในขณะนี้ขณะหนึ่งๆที่เรารู้สึกว่าใจมันลอยๆใจมันควบคุมไม่ได้ความรู้สึกตรงนั้นนะ่คือการเห็นจิตแล้ว เห็นว่าจิตกำลังอยู่ในสภาวะพุงสั้นเลื่อนลอยเราเห็นอย่างนั้นได้นะเราแค่หายใจขึ้นมาทีนึงอ่าเนี่ยจิตจิตที่มันพุงสั้นเลื่อนลอยมันเกิดขึ้นในลมหายใจนี้คือไม่ใช่ไปพยายามบังคับลมหายใจนะแต่ว่าให้แค่รู้ว่าเนี่ยในลมหายใจนี้จิตมันเลื่อนลอยมันพุงสั้นอย่างนี้เสร็จ แ, แล้วพอหายใจครั้งต่อมาเราก็ดู ของเรานะเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยเห็นไหมพอเรารู้สึกขึ้นมานตรงลมหายใจ<อ>มันนิ่งขึ้นค่ะ อ, อย่างเดิมเนี่ยพอเราเห็นปุงป้งๆลอยๆแล้วเราก็ไปมองอยู่อย่างนั้นคาอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆแต่เนี้ยพอรู้สึกเข้ามาที่ลมหายใจเห็นไหมมันนิ่งขึ้นนี่คือการเห็นความต่างแล้วแต่ถ้าพี่ไม่พูดถึงไม่กระตุ้นให้เรารู้สึกถึงลมหายใจเราก็ไม่นึกเพราะคนส่วนใหญ่มันไม่แม่น ว่าจะต้องทำยังไงนะาะไรก็ตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกถึงความเลื่อนลอยรู้สึกว่าฟุ้งกระจายกระจายไปนะให้เราแค่สังเกตว่านี่หายใจครั้งนี้เราเลื่อนลอยอยู่แค่นี้ยอมรับตามจริงแล้วปล่อยปล่อยเลยนะพอร่างกายมันต้องการลมหายใจละล่องใหม่เราค่อยสังเกตใหม่ว่าเออมัน ถ้าถ้ามันยังเลื่อนลอยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันยังปุงป้งๆนิดนึ่งนะเราก็ยอมรับตามจริงว่าในลมหายใจนี้มันยังลอยอยู่นิดๆอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันนิ่งขึ้นมาก็ไม่ต้องไปดีใจว่านี่มันเราทําสําเร็จเห็น <He ard S 2> เป็นแค่ว่าเออจิตมันนิ่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็เลื่อนลอยกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้อาการกลับไปกลับมาในช่วงนี้เราใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ ถ้าเรามีแต่ภาวะเดียวให้ดูเนี่ยมันก็ไม่รู้จะดูความไม่เที่ยงตรงไหนแต่มีภาวะกลับไปกลับมาอย่างนี้มันก็เป็นของดีเหมือนกันเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็ <Aww. S 1> เลื่อนลอยแล้วบางทีเลื่อนลอยมากเลยบางทีก็เลื่อนลอยน้อยๆ อ, อ, อ่อนๆค่ะนะดูดูไปแล้วนะก็ช่วงนี้มันดีละมันไม่มีคําถามตรงที่อย่างแต่ก่อนเนี่ย เกิดโทระขึ้นมาแล้วจะไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วเรายังแต่ก่อนมันยังคิดอยู่ยมันจะยอมไปมันจะดีหรือเปล่ามัน <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเองก็ได้ใจเดี๋ย อ, อะไรแต่ตอนเนี้ยมันหายไปเฉยๆมันเข้ามาดูที่ตัวเองอย่างเดียวคือคนในโลกเนี่ยจะทํายังไงมันก็ได้ใจหมดจะทํายังไงมันก็เอาแต่ใจตัวเองหมดแหละไม่มีประโยชน์หรอก เอาประโยชน์ที่ตัวเราเองดีกว่านะถ้าใจของเราเนี่ยมันมารู้อยู่กับข้างในของตัวเองได้ว่าแล้วเห็นว่าเนี่ยเออมันดับไปแล้วไม่มีอะไรคาใจมันก็เป็นสภาพจิตแบบหนึ่งที่เป็นกุศลเต็มขั้น<อ>เห็นไหมเดือนนี้ยคําถามมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนไม่ไม่เยอะเมื่อก่อนเยอะมากมเยอะเป็นมุงเลยค่ะ<อ>ดีแล้วนะจิตเป็นกุศลแล้วแล้วก็ ถ้าดําเนินต่อไปอย่างเนี้ยมันจะค่อยๆตั้งมั่นเราจเจริญปัญญาของมันอย่าง<ด>ที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยจําได้ใช่ไหมไเวลา<อ>ที่เลื่อนลอยฟุง้งเราก็ดูไปเออนี่ในลมหายใจนี้ลมหายใจต่อมาต่างไปแค่ไหนในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยสติของเรามีน้ําหนักมากกว่าความเลื่อนลอยค่ะที่ผ่านมาใจมันยังเบาเป็นนุ่นอยู่แต่สติเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มน้ําหนักค่อยๆเพิ่มคุณภาพ ค่อยๆเพิ่มความหนักแน่นมากขึ้นนี่มันจะอยู่ในเส้นทางของการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเย็นลงอันนี้ไม่ต้องหาคายืนยันจากใครเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองแต่ต่อไปเนี่ยสติมันก็จะค่อยๆมีกาลังมากขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะพี่ตุลสวัสดีค่ะมาเป็นครั้งแรกจะมีปัญหาเรื่องจิตนะคะ ออบางครั้งเราจะเจอคนรอบตัวเนี่ยนะคะคือเหมือนทำอะไรก็จะเหนือเหตุผลหรือว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เราฟังแล้วเราต้องเก็บอารมณ์เนี่ยมันจะใ่ของของพี่มั น, มนเครียดมากเลยเหมือนการ<ต>อยู่กับท่ามกลางคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผ ล, แ, ลแ ต, แต่แต่เราต้องดูด้วยนะว่าเรามาอยู่ในกลุ่มคนแบบใดเนี่ยเราก็ต้องเคยมีพื้นฐานแบบนั้นมา นี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนแบบที่ไม่มีเหตุผลแล้วเราสามารถที่จะยืนอยู่บนเหตุผลได้นะในที่สุดเนี่ยจิตของเรามันจะออกจากกลุ่มคนเหล่านั้นคือมันจะไม่เข้าไปข้องแวะตอนเนี้จิตของพี่มันยังข้องแวะอยู่เข้าใจคําว่าข้องแวะไหมคือมันติดใจมันยังคาใจคาใจเวลาเขาไม่มีเหตุผลอะไรมาใจเราไปอยู่กับเขานั่นเท่ากับเราไปมีส่วนของความไม่มีเหตุผลร่วมไปกับเขาแล้ว นึกออกใช่ไหมคือคือจิตของเราอยู่กับคนเช่นใดใจของเราเนะี่ยมันจะมีอาการว้าวุ่นตามบุคคลประเภทนั้นนั้นไอ้ น, นี้ถ้าหากว่าใจของเรามันถอนออกมาคือไม่สนใจว่าเขาจะไม่มีเหตุผลหรือว่าเราเราเห็นเขาแบบในสาระยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะสามารถที่จะทาใจได้ว่าเขาอยู่ส่วนของเขาใจเราอยู่ส่วนของใจเรา อย่างนี้เนี่ยมันจะถอนออกมาวิธีที่จะถอนออกมาอยู่ๆไม่ใช่ไปทำไม่ใช่ไปคิดเฉยๆแบบนี้คือมันคิดไม่ได้ในเมื่อใจมันยังฝังอยู่มันยังมันยังฝากอยู่กับกลุ่มบุคคลรอบตัวเรานะวิธีที่จะถอนออกมาก็คือให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องอยู่ด้วยตลอดเวลาจริงๆเนี่ยก็คือใจของเราเอง ใจที่มันมีความว้าวุ่นอ่ามันอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่ได้คือก็เลใช้วิธีเดียวก็ไม่มีเหตุผลอีกเราคุยไปเรื่องหนึ่งเขาคุยไปเรื่องหนึ่งนี่หมายถึงลูกน้องทั่วไปโอ้ยทให้เรานี่เกิดอารมณ์จะทำยังไงให้อารมณ์ตัวนี้นี่ลดลงได้เนี่ยที่ผมกำลังพูดเนี่ยก็คือตัวนี้แหล ะ, ะคือพอ พี่พเผชิญหน้ากับคนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะ uh huh. มันมีอยู่สองภาวะหลักๆที่ผ่านมาภาวะที่เกิดขึ้นเก้าสบเปอร์เซ็นตคือเรารู้สึกไม่พอใจ uh huh. ตัวความไม่พอใจเนี่ยมันจะโยงจิตของเราเข้ากับจิตของคนที่ไม่มีเหตุผลหรือพูดไม่รู้เรื่อง uh huh. พูดง่ายๆว่าเราจะยังติดอยู่เหมือนกับ ขาของเราเนี่ยจมอยู่กับโคลนถอง ไ, <ป S 1> ไม่ขึ้นอ่านะีอีกส0เปอร์เซ็นคือว่าเหมือนกับพอพี่เริ่มมาสนใจธรรมะบ้างหรือว่าอยากจะหาทางที่จะแก้ความว้าวุ่นใจบ้างเนี่ยไอ้ติเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็คือว่าพยายามจะลืมๆซะคือลืมเอาดื้อๆซึ่งมันลืมไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคือที่ที่ผ่านมาพี่พี่พยายามจะไม่สนใจ Uh huh. แบบทำทาเป็นแบบเอ้ยอย่างนี้ไม่รู้ไม่ ช, εί, ชี้แล้วช่างมันอะไรเงี้ยแต่มันใจจริงๆมันไม่ช่างมันไม่ยอมมันยังมันยังติดอยู่ uh huh. นะั้นสิ่งที่จะทำแล้วได้ผลจริงๆก็คือว่าเนี่ยสองทางสองทางเนี่ยที่เก้าสเปอร์เซ็นต์กับอีสิเปอร์เซนตเนี่ยนะ uh huh. ที่ผ่านมาเนี่ยมันผิดทั้งคู่มันถอนใจของเราออกมาจากคนพวกนั้นไม่ได้ง uh huh. นะั้นต้องมีทางเลือกใหม่ ทางเรื่องใหม่ที่ดีที่สุดก็คือเออ่เนี่ยอย่างตอนเนี้ยพี่ลองดูใจตัวเองเนะมันเบาลงพี่รู้เหตุผลไหมว่าทําไมมันเบาลงธรรมะไม่ใช่เมื่อกี้ผมพูดว่าทั้งสองทางที่พี่ทํามาเนี่ยทั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอีกสิเปอร์เซนเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยผิดใจมันถอนออกมาจากวิธีที่ผิดทั้งคู่ มันกลับมาอยู่กับตัวของขอ ง, ของเราเองในปัจจุบันใจมันเลยเบาลงคือมันไม่มีอาการผูกติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจในขณะเดียวกันมันไม่มีอาการต่อต้านปฏิเสธหรือว่าแกล้งทำเป็นลืมๆเข้าใจพ้อยใช่ไหมคือมันมาอยู่กับตอนนี้ที่มันมีลมหายใจอยู่ตอนนี้ที่มันกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ใจมันไม่ได้เย่อกับพวกนั้นละ นี้ต่อไปเวลาที่อยู่กับตัวเองอยู่กับภ า, ภาวะขัดแยง้งอยู่กับความรู้สึกไม่พอใจความไร้เหตุผลหรือพูดไม่รู้เรื่องของคนะนะตัวใหญ่คือมันไม่ใช่ไม่มีเหตุผลหรอกแต่แกล้งไม่มีเหตุผลแกล้งพูดให้มันไปคนละทางไอ้ที่พี่เจอมาเนี่ยนะ mm hmm. คือมันคนมันมี common sense แหละ แต่ในเมื่อมันอยากจะแกล้งทำเป็นไขสือ่อทำเป็นไม่รู้เรื่องมันก็พูดไปอีกทางหนึ่งต่างคนต่างพูดคนละเรื่องเนี่ยนะมันเลยเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้คุยกันจริงๆมันมันเหมือนส่งสารจากคนละโลกอะแล้วก็มาจากคนละภาษาด้วยภาษาของใจมันไม่เหมือนกันของเราจะเอาสิ่งที่ต้องการของเขาจะเอาสิ่งที่เขาต้องการ แล้วสิ่งที่ต้องการมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ตรงกันนี่ถ้าหากว่าเราเริ่มรู้สึกถึงความขัดเคืองทุกครั้งน ะ, ะเวลามันมีความขัดเคืองจกุกจุกขึ้นมาในอกมันแน่นขึ้นมาเนี่ย<ะ>เราเราเริ่มมองเห็นว่าเออเนี่ยเป็นสภาพที่สูญเปล่าคือเกิดจากการคุยกันไม่รู้เรื่องมันคนละเป้าเป้าหมายกันอ<ะ>คนละมุมมองกัน Mm hmm. เราเห็นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นแน่นอกเนี่ยด้วยอาการยอมรับว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมา mm hmm. แล้วมันเกิดขึ้นมาอย่างสูญเปล่าถ้าพี่รู้สึกถึงความสูญเปล่าของมัน <Yeah. S 2> ทุกครั้งมันจะหายไปเหมือนอย่างนี้ <Yeah. S 2> เมื่อกี้เนี่ยคือพี่รู้สึกไง mm hmm. ว่ามาผิดทางทั้งคู่แล้วก็คุยกับคนที่มันไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วเราจะเอาให้รู้เรื่องให้ได้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความไม่พอใจที่สูญเปล่ามันไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือความไม่พอใจของเราเนี่ยไม่ได้ไปเปลี่ยนความจริงตรงหน้าคือมันมันจะมองไปอีกมุมหนึง่งเห็นความอึดอัดที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพอผมพูดเนี่ยมันมันรู้สึกแน่นๆขึ้นมาแต่บางครั้งก็ยังฝังอยู่ทีีน้ถ้างลูกน้องเนี่ยเราก็ยังฝังอยู่ถ้าถ้าพี่รู้สึกคือคือที่มันฝังอยู่เหตุผลนะ เพราะพี่นึกถึงหน้าลูกน้องแต่ยังเมื่อกี้ตอนบาระแรกที่มันหายไปเนี่ยพ่าพี่เลิกนึกถึงหน้าของลูกน้อง<ม>แต่ว่ามาฟังที่ผมพูดว่าเออมันผิดทั้งสองทางเนี่ย ม, มันเข้ามาที่ใจมันเข้ามาที่อาการทางใจ<ม>ที่มันผิดทั้งคู่ทั้งในแบบที่ไปไม่พอใจแล้วก็พยายามแกล้ ง, ล, งลื ม, มเข้าใจไห ม, มคือมันเข้าเดี๋ยวพี่ฟังดีๆนะ ตอนแรกเนี่ยอาการทางใจของเราเนี่ยคือไปยึดไปยึดอยู่กับหน้าของเขาอืเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเราจะผูกอยู่กับสิ่งที่มันไม่ไม่มีเหตุผลไม่มีสาระอืนี้อย่างเมื่อกี้นี้ตอนที่พี่รู้สึกขึ้นมาว่าเออมันหนักหนักแน่นแน่นเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่มันหนักหนักแน่ๆ น, ๆ, น, ๆ, น, ๆ, นๆ่นเนี่ยคือตอนเนี้ยมันเป็นอาการฝืนตู้กับภาวะทีนี้เนี่ยพอเมื่อกี้เห็นไหม พ อ, พอผมพูดกันว่ามันเป็นอาการฝืนตู้เปล่าๆมันคลายออกไปนี่เรียกว่าเป็นการเห็นภาวะของตัวเองแล้วเลิกนึกถึงหน้าลูกน้องอมันเข้ามาที่นี่จริงๆคือแต่เดิมเนี่ยพอเราจะทำเป็นลืมๆเนี่ยมันไม่ลืมจริงเรายังนึกถึงหน้าลูกน้องอยู่ใจมันยังผูกอยู่ แต่ทีนี้พอเรามารู้สึกถึงอาการแน่นๆตรงนี้มันมันมีแต่เราจริงๆมันมีแต่ภาวะตรงนี้จริงๆไม่มีหน้าใครทั้งสิ้นเ mm hmm. นี่ยอย่างตอนนี้มันคลายที่มันคลายออกไปเนี่ยพอเรารู้สึกถึงที่ตรงนี้เนี mm ่ยภาษตาพระเรียกว่าทุกขเวทนา mm hmm. ที่มันเกิดขึ้นในเราจริงๆบางครั้งเราคิดว่านั่นเป็นความผิดเรานะที่บางครั้งเราก็ จะทำยังไงถึงระงับอารมณ์คือให้พูดแบบใจเย็นๆกับเขาสุดท้ายก็เลยแบบเออไม่ผิดฉันผิดเองสอนพวกเธอไม่เป็นเราจะทํำยังไงคือการคิดแบบนั้นเนี่ยให้สอนเขาแบบใจเย็นๆได้ระงับอารมณ์ตัวเองตอนตอนนี้ผมไม่ได้พูดถึงวิธีที่จะแก้ปัญหาอข้างนอกเพราะว่าเรื่องแก้ปัญหาข้างนอกเนี่ยพี่อาจจะมีได้สารพัดวิธี ถูกบ้างผิดบ้างได้ผลบ้างไม่ไม่ได้ผลบ้างยังไง uh huh. ไม่รู้นะ uh huh. แต่ทุกครั้งถ้าหากว่าเรามองเข้ามาที่ใจแล้ว uh huh. เ, เห็นว่านี่เป็นทุกขเวทนาที่สูญเปล่า uh huh. เรารู้สึกเข้ามาแล้วเออเออมันไม่มีอะไรมันมันแน่นขึ้นมาเฉยเฉยมันเล่นงานเราอยู่แค่นี้ uh huh. แล้วเราเห็นอาการแน่นตรงนั้นเนี่ย uh huh. มันเข้มข้นแค่ไหนนะลมหายใจต่อมาเราจะรู้สึกว่ามันคลายออกได้เองเ uh huh. นี่ยตัวนี้คือจุดที่ถูกต้อง uh huh. ที่ที่ที่ตั้งอยู่ในตัวเรา Mm hmm. แล้วพอมันถูกต้องที่สภาวะข้างในแล้วเนี่ย mm hmm. จากนั้นวิธีการพูดหรือว่าอุบายที่จะทำให้เขาเข้าใจมันจะตามมาอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องแล้วอาจจะสำเร็จก็ได้ไม่สาเร็จก็ได้ mm hmm. เรื่องข้างนอกแต่มันสาเร็จเรื่องข้างในคือเราทุกข์น้อยลง mm hmm. ประเด็น mm hmm. ประเด็นของผมคือที่ตรงนี้มันไม่มีวิธีที่แน่นอนที่จะไปแก้ไขโลก mm hmm. แต่มีวิธีแน่นอนที่จะแก้ไขเราใช่นะคือเวลานแน่นขึ้นมา เราก็อยากจะแก้ไขไม่ให้มันแน่นจะทำยังไงนะดูจิตจตัวเนี่ยตัวที่คิดว่าจะทำยังไงอ่ะมันไปเพิ่มความแน่นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ถ้าพี่เลิกคิด <c oughs> แล้วก็ดูจริงๆว่าตอนเนี้ยมันแน่นอยู่แค่ไหน <c oughs> ด้วยอาการยอมรับนะยอมรับว่ามันแน่นอยู่แค่ไหนมันจะคลายออกเหมือนกับที่ผมพูดไป <c oughs> แล้วพี่มีความรู้สึกเออมันแน่นจริงๆด้วย <c oughs> แล้วพอพี่ยอมรับมันก็คลายออก <c oughs> มันมีอยู่แค่นั้นเอ ง, องตอนนี้คลาย อ, ออกอนะแน่นเหลือเกินเราจะทำไงไม่คิดเรื่องนะขอบคุณค่ะครับครับจะเรียนสอบถามพี่ตุนนะครับว่าปกติผมนั่งสมาธิเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนกับขึ้นเครื่องบินนะครับเราขับเครื่องขึ้นมาช่วงแรกก็ส่ายหน่อยเพราะว่า เหมือนกับเราเพิ่มสติมาดูที่สติมาดูที่กายที่ใจของเราแล้วสักพักเนี่ยพอเครื่องมันเริ่มนิ่งมันเหมือนกับได้ระดับมันก็จะนิ่งใช่ไหมแต่เมื่อไรที่สติมันเริ่มอ่อนลงเหมือนเครื่องบินมันเริ่มลดระดับลงอัตโนมัติเห็นอย่างเนี้ยดีแล้วแล้วนี่แสดงว่าเราเห็นอาการทางใจของเราจริงๆคือถ้าเราไปพยายามแก้คําถามของเราถ้าหากว่าทําไงให้มันสเสถียรเนี่ยนะอย่างเงี้ยเป็นตั้งออการไม่ไม่ไม่ถามนะไม่ได<ห>้ถามว่าเสถียรนะ การจะอธิบายว่าสภาวะแบบนี้อเดียก็คือเหมือนกับเราทะลุผ่านระดับหนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วพอนิ่งสักพักเนี่ยสติเริ่มอ่อนเหมือนเครื่องหัวลง<ม>ปั๊บมันจะมีเหมือนกับเมฆเข้ามาปุ๊บเหมือนกับเฮ้ยโมหะครอบขึ้นมาแต่เรารู้นะแต่เราสติอ่อนมากทำอะไรไม่ได้สล้วับมันก็จะวูบลงไปแล้วก็เหมือนกับ เฮ้เราหลับหรือเปล่าแต่เราเหมือนรู้แต่เราไม่มีสติที่จะเชิดหัวเครื่องบินขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้ทําอะไรของมันสติมันก็จะโผเหมัอนกับนี่แหละเครื่องบินโผขึ้นมาโผมาก็เหมือนเมฆที่โผมาปุ๊บไม่สว่างว่าแป๊บหนึ่งแล้วสักพักเอ้ยเครื่องหมดแรงตกมันจะปุ๊บปุ๊จนกระทั่งที่ผัสสะเราสัมผัสบางอย่างอาจจะข้างนอกอ่ะให้เราอ้าวหมดเวลาหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจะสว่างของมันเองแล้วจะมีสติอยู่ แต่ว่าทั้งนี้งนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าจะจัดการอะไรอย่างมันอย่างไรนะครับเพราะว่าผมนั่งแบบนี้มันก็เกือบทุกครั้งจะเป็นอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันหมดเวลาแล้วก็อ่ ะ, อะก็เหมือนกับเอ๊ะเราไม่ได้ทําอะไรหรือเปล่าเราไม่ได้นั่งอะไรหรือเปล่าคือที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นตามจริงนะและ้เราทํางานไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยเนี่ยมันก็อย่างนี้แหละกําลังมันจะไม่อยู่ตัวมันจะไม่สถียน ถ้าเราไปพยายามทําให้มันเกิดอะไรขึ้นแตกต่างไปจากนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้เห็นนะแต่มันจะได้อยากแล้วพอได้อยากเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่ยอมรับเราจะปฏิเสธแต่ถ้าเห็นอย่างที่น้องพูดมาทั้งหมดนี้เลยเนี่ยนี่คือการเห็นสภาวะของจิตตามจริงซึ่งมันดีแล้วมันดีอยู่แล้วที่ได้เห็นว่า เออกำลังของเรามันยังไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมีขึ้นเดี๋ยวมันมีลงไอตอนที่บอกว่าคล้ายๆเครื่องบินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะมีอาการพยายามจะเชิดหัวขึ้นอะไรนั่นอยู่ในช่วงของการพยายามแต่ถ้าเริ่มต้นขึ้นมาเราเอาแบบที่พี่ไกด์ตอนแรกมาทันใช่ไหมไม่ทันครับพี่เดี๋ยวลองไปฟังดูนะไปฟังดูในคลิปก็ได้คลิปเสียงเนี่ยแล้วก็ลองลองใหม่ คืออย่าเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการตั้งใจให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่สำรวจดูเนี่ยว่ามันมีอาการพร้อมทางกายอยู่แค่ไหนมือเท้าเนี่ยมันมีความผ่อนคลายสบายหรือว่ายัางเกร็งๆอยู่นะถ้าถ้าเริ่มขึ้นมาจากไอ้ตรงจุดที่เราสามารถเห็นได้ตามจริงทันทีเนี่ยมันจะลดความอยากลงไปและไ อ, ไอ้ความรู้สึกว่าจะต้องออกแรงในช่วงต้นเนี่ยมันจะหายไป มันจะกลายเป็นความรู้สึกสบายตั้งแต่เริ่มต้นและพอรู้สึกว่ามันนิ่งๆเริ่มคงที่คงเส้นคงวาแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเห็นความต่างไปของจิตในภาวะต่างๆได้จริงแต่เป็นการเห็นในขณะที่เรารู้สึกว่าจิตภาวะต่างๆเนี่ยเป็นตัวของเรานี่ถ้าเริ่มต้นขึ้นมามันเริ่มด้วยการไม่อยาก ไม่อยากให้เป็นอย่างใดไม่อยากให้เป็นอย่างหนึ่งไม่อยากให้สงบไม่อยากให้ฟุ้งซ่านไม่มีความอยากมันจะมีแต่ความรู้มันจะมีแต่จิตที่ดูเป็นผู้สังเกตไม่ใช่ผู้อยากพอมันไม่มีความเป็นผู้อยากตัวตนมันจะลดลงทันทีเหลือแต่ความเห็นว่าเออในจิตของเราเป็นอย่างที่น้องพูดมาทุกประการเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือความรู้สึกในตัวตนมันจะลดลง แล้วมันจะลดลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เรานั่งตลอดการนั่งนั้นไม่มีความอยากมีแต่การเห็นมีแต่การรู้เมื่อภาวะต่างๆมันต่างไปอย่างไรควอยมันมีอยู่แค่นี้สำหรับน้องนะ <Okay. S 2> ับผมเลยสงสัยว่าไอ้ที่เรานั่งกันเนี่ยเอ๊ะการพัฒนาการของเราเนี่ยกิเลสหรือว่าอัตตาของเราเนี่ยมันมันพัฒนาขึ้นไหมจากการที่เราเห็นแค่นี้แต่เหมือนกับเอ๊ะจิตเราก็ไม่ได้ตั้งมัน่น แล้วก็เราจะวัดอะไรฮะอันนี้เนะี่ยตั ว, วตัวความอยากที่พี่พูดมาเนี่แหละน ะ, นะถ้าหากว่าเราเห็นว่าเริ่มต้นขึ้นมามันไม่ได้มีความอยากมันมีแต่อาการยอมรับตามจริงเนี่ยมือเกร็งเท้าเกรงอยู่ยอมรับแล้วมันผ่อนคลายออกไปนะแล้วเราเห็นอยู่อย่างเดียวเออนี่ถึงเวลาลมหายใจเข้าหรือยังถึงเวลาลมหายใจออกแล้วหรือยังด้วยอาการเห็นไม่มีอาการอยากตัวนี้แหละพัฒนาการมันถึงจะเกิด ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็จริงแต่ยังเปลี่ยนไปท่ามกลางความอยากของเราให้มันเนี่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ตั้งต้นนับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นด้วยความอยากก่อนแล้วพอมันเปลี่ยนไปมันก็อยากอีกอยากจะแก้ให้มันดีขึ้นอยากจะพัฒนาให้มันเห็นว่าเออเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันมีความอยากแฝงอยู่ทุกฝีก้าวโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ก้าวแรกเราไม่มีความอยากมีแต่อาการยอมรับเนี่ยตัวนี้แหละที่มันยิ่งทาจะยิ่งเกิดการพัฒนาไปในทางการเจริญส ต, ตินะและอย่างกสภาวะโกรธอ่างเงี้ยโมหะในดีตผมก็เออรู้สึกว่าเราเอ๊ะไม่โกรธไม่อะไรนะแต่พอสักพักเจอคนที่พูดไม่รู้เรื่องอย่างที่พี่พูดเอ๊ะทไมมันพุ่งขึ้นมา พุ่งแรงกว่าในหลายๆครั้งที่เคยเป็นปกติผมก็จะไม่โกรธเนี่ยพุ่งขึ้นมาแต่เราสังเกตว่าตอนสภาวะพุ่งเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะกายทําไมมันหัวใจเต้นเร็วโอ้ยทาไมมือแต่เราไม่เอากับมันน ะ, ะมือนแต่เรารู้เหมือนกับเราดูมันเนะ่ยแต่ก็เลยสงสัยว่าไอ้กิเลส ท, ที่เราเหมือนว่าให้มันจะลดลงแต่จริงๆมันซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าฮะมัน<ล>ไม่ใช่ซ่อนอยู่คือคืออย่างนี้นะะเราไป ตั้งสเปกไว้อย่างนี้ว่า <ฮะ S 2> ยิ่งปฏิบัติเนี่ย <ฮะ S 2> ความโกรธน่าจะยิ่งลดลงคอ <ฮะ S 2> นนี้ถ้าเรามองตามจริงนะตราบใด เ, เรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีตราบนั้นโทสะหรือความขัดเคืองมันยังเท่าเดิมได้ตลอดเวลา <ฮะ S 2> คือแม้แต่เป็นพระสักทาคามีเนี่ยนะบรรลุธรรมไปแล้วสองครั้งเนี่ยกิเลสเพิ่งจะลดลงโทสะเพิ่งจะน้อยลงเพิ่งจะเบาบางลง เบาบางลงแบบตามธรรมชาติของจิตจริงๆนะคือไม่ใช่เบาบางอันเกิดจากการที่เรามีความรู้สึกดีๆขึ้นมาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปโกรธใครก็ได้เวลาเราจะดูเนี่ยตั้งภาพที่ถูกต้องไว้หรือว่าตราบใดยังไม่ใช่พระอนาคามียังไม่ใช่พระอรหันต์ตราบนั้นเรายังสามารถโกรธได้เท่าเดิมหรือว่ายิ่งกว่าเดิมได้ตามสภาพการกระทบที่เข้ามา แรงหรือว่าเบาสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นโทสะได้เป็นอันดับต้นๆของโลกนะก็คือคนพูดไม่รู้เรื่องนี่แหละไอ้คนที่มันเอาแต่ใจตัวคนที่มันไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังอิรักขหตุโรมอะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นยิ่งกว่าไฟร้อนๆที่ติดปลายไม้มาจี้ตัวเรามันเจ็บมันเจ็บนาน มันรู้สึกถูกกระแทกแรงนะนี่เราก็แค่ยอมรับตามจริงว่าเจอแรงกระแทกแรงๆใจมันก็เกิดความรู้สึกถูกกระทบระเทือนเป็นธรรมดานี่ถ้าพอมันเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมามากๆแล้วไปมัวตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมโทรศัพท์มันยังแรงได้อยู่นี่มันก็เสร็จแล้วเสร็จวิกิตฉา โดนวิจิกิจฉามันครอบงำไปหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงแบบสูนเปล่าสติมันหายไปคำว่าวิจิกิจฉาเนี่ยก็คือนิวนิวก็คือตัวกั้นไม่ให้เกิดความก้าวหน้าเนี่ยมันชัดเลยเราหัวแต่หมองมุ่นคิดกลุ้นคิดอยู่ว่าเออมันมันไม่ก้าวหน้าคิดเป็นวันวันระหว่างนั้นแทนที่จะดูว่าเออมันมีวิจิิจฉาเกิดขึ้นมันไม่มันจมลงไป อยู่กับตัววิจิกิจฌาทีนี้ถ้าหากว่าต่อไปเราเกิดโทสะขึ้นมาแรงๆแล้วเห็นตามจริงด้วยอาการยอมรับว่าเนี่ยต้นเหตุมันแรงอ่ะแล้วพื้นจิตพื้นใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังมันไม่ได้คาดหวังว่าจะเจออะไรแรงๆแบบนั้นแล้วมันเจอขึ้นมามันก็เกิดโทสะขึ้นมาแรงเป็นธรรมดาเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวรู้สึกว่าเป็นธรรมดาเนี่ย มันก็จะทําให้โทสะเกิดขึ้นโดยปราศจากวิจิกิจฉาและตัวโทสะที่เกิดขึ้นที่มันจะแรงแค่ไหนก็นแล้วแต่มันมันจะแรงแค่ตอนนั้นไม่มีอาการปรุงแต่งยืดเยื้อมันจะได้เห็นมันจะได้เกิดช่องช่องให้สติเนี่ยนะได้ออกมาแสดงบทบาทแสดงบทบาทยังไงคือแสดงบทบาทยอมรับว่ามันเกิดขึ้น เนี่ยอย่างตอนเนี้ยอ<ะ>ที่มันเบาที่ที่มันรู้สึกว่าไม่มีอะไรมันไม่ยืดเยือ้อเลยฮะมันไม่ยืดเยื้อเลยมันเออเห็นโอ้ทาไมเราเป็นงี้อ๋อจบเลยแค่แเอ๊ะเหมือนกับเอ๊ะ ค, ค, ค, ค, ความโกรธยังมีอยู่เนาะคือจําไว้อย่างนะการเจริญสติเนี่ยหลายคนฮะติดอยู่เป็นสิบสิบปีกับเรื่องของภาพ<ะ>พอปฏิบัติมานานยิ่งปฏิบัติมานานเท่าไหร่มันยิ่งไปปรุงแต่งใจว่าเราน่าจะก้าวหน้าขึ้นมาอย่างนั้นน่าจะก้าวหน้าขึ้นมาอย่างนี้การเจริญสติเนี่ย พระพุทธเจ้ า, าตัดไว้ที่สุดของการเจริญสติเนี่ยวัดกันที่การได้สิ้นสุดทุกข์ใจไม่ต้องเป็นทุกข์อีกแบบไม่กลับําเริกพูดง่ายๆเป็นพระอระหันต์แต่ตราบใดยังไม่ไปถึงตรงนั้นเรารู้ตัวว่าเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นอยากคาดหวังอะไรทั้งสิ้นอย่าตั้งภาพขึ้นมาทั้งสิ้นว่าเอ้ยเราปฏิบัติมานานแค่ไหนเราเคยก้าวหน้าเราเคยประสบความสําเร็จอะไรมาเนี่ยให้ลบทิ้งไปเลยเหลือแต่ปัจจุบัน ว่าจิตมันสา ม, มารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างพี่ตูนครับจะสอบถามความเข้าใจผมหน่อยครับที่ผมเข้าใจก็คือว่าถ้าจิตเราเหมือนเป็นบ้านอันหลังหนึ่งเนี่ยแล้วกิเลสเหมือนกับโจรขโมยก็จะขึ้นมาที่บ้านเราตลอดถ้าเราฝึกสมาธิขึ้นมาหรือสมาธิแน่นๆดีๆเหมือนปิดประตูมให้มันขึ้นถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าวิปัสสนาเนี่ยคือเหมือนกับเราดูจิตของเราว่าเห็นขโมยขึ้นบ้านเราละ แล้วมันจะหยิบของอะไรขโมยไปเรื่อยๆแต่คําถามผมก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นมันขึ้นบ้านเราแล้วมันก็เอาของเราไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆโจรนี่เราไม่ต้องจับมันมันจะหายไปเองเหรอฮะหรือว่าต้องคือพอเราตั้งอุปมาอุปไมยไว้อย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะเกิดความเห็นหรือว่าความคิดในแง่ที่จะโต้ตอบกับกิเลสในแบบที่เราอุปมาอุปไมยเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ กิเลสมันไม่ใช่โจรกิเลสเนี่ยมันเป็นของที่ใจเนี่ยมันชอบมันไม่ใช่โจรโจรเนี่ยเราไม่ชอบเราเป็นย่าของบ้านเราไม่ชอบมันแต่กิเลสนี่ยเราชอบเพราะเราคุ้นกับมันมันอยู่กับเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมันอยู่กับเรามาก่อนกับก่อนกันมันถึงมีตัวเราขึ้นมาได้เพราะเรายอมรับเป็นพวกกับมัน มันไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามนะจำไว้นะกิเลสไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามตรงกันข้ามมันคือพวกเดียวกันกับเราแล้วเรายอมรับให้มันเป็นพวกเดียวกับเรามาก่อนที่มันนานกว่าที่เราคิดนี้การที่เราจะออกจากกิเลสมันต้องทำอย่างที่พระพุทเจ้าท่านตรัสไว้นั่นคือสวนกระแสทวนกระแสเนี่ยคำว่าทวนกระแสมันเกิดขึ้นมาจากตรงนี้แหละ เราเป็นพวกเดียวกันกับกิเลสอยู่ก่อนนี้เมื่อเห็นแล้วว่ากิเลสมันเข้ามาเนี่ยแต่ละครั้งเราต้อนรับมันนะแล้วเกิดอะไรมันเกิดความทุกข์เราเห็นความทุกข์แล้วเราเกิดศรัทธาที่จะทำทางเพื่อพ้ทุกข์อันนี้ก็คือการจัดการกับกิเลสวิธีการจัดการกับกิเลสก็มีทั้งการห้ามใจข่มใจมีทั้งการเจริญสติเห็นว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยตัวนี้แหละ พอพอมีภาพที่ชัดเจนไม่ใช่อุปมาอุปไมนะ่มันก็จะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกแนวทางไว้ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วกันะฮะบางทีผมเห็นอะไรที่มันแปลกๆเช่นเช่นสมมติว่าเราอาดผมนวดคุณแม่เนี่ยนวดไปสักพักรู้สึกว่าไอสิ่งที่เรานวดอ่ะมันเป็นอะไรบางอย่างไม่ใช่มือ หรือว่าเราเดินบางที่เดินไปปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันมีวงวงเราเดินตอนตอนตอ น, นที่นวดกุญแม่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าเป็นก้อนๆนั่นแหละอันนั้นคือเกิดภาวะเห็นว่าร่างกายสักแต่เป็นธาตุนะธาตุแข็งก็คือธาตุดินธาตุอต่อนนะก็คือธาตุน้ำนะธาตุพัดไหวก็คือธาตุลมแล้วก็ธาตุอุ่นนะธาตุร้อนก็คือธาตุไฟ เนี่ยตัวที่เรารู้สึกว่าไม่ใช่บุคคลเนี่ยตัวนั้นให้บอกว่าเรากำลังเห็นโดยความเป็นธาตุหลักแต่เป็นธาตุสมีมันมันมันจับไม่ออกตอนนี้ก็แปะแปะป้ายไว้มันจะได้ชัดเจนมันเป็นธาตุสีมันเป็นการประชุมกันของสิ่งที่แข็งแข็งสิ่งที่อ่อนสิ่งที่พัดไหวแล้วก็สิ่งที่มันมีไอออนเหมือนมันไม่ใช่เราอ่ะนันหะตัวนั้นแหละเห็นโดยความเป็นธาตุคืออย่าไปคิดอะไรให้มันพิสดาร แต่คิดในกรอบที่พระพุทธเจ้าท่านท่านท่านวางไว้แล้วเนี่ยคือเห็นโดยความเป็นธาตุบอกตัวเองว่านี่เรากําลังเห็นว่าสักแต่เป็นก้อนธาตุไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานะอันนี้ก็คือเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติของคนที่เจริญสติมานะแต่บางทีถ้าไม่มีการแปะป้ายนําทางไว้เนี่ยบางทีมันจะงงงมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่อะไรครับเขอบคุณครับพี่ตุ มาครั้งที่สองแล้วนะคะก็ครั้งนี้ไม่ไม่เหมือนครั้งแรกตรงที่ว่าครั้งแรกจะรู้สึกกลัวที่เวลาอยู่ในห้องแต่ครั้งนี้ก็ดูอาการไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นใช่ไหมตอนหดตัวเข้ามามันแค่หดตัวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็คลายออก <c oughs> ไม่ได้มีอะไรที่เอ่อเป็นเรื่องพิเศษผิดธรรมดานะหดตัวแล้วก็คลายหดตัวแล้วก็คลายดูอยู่แค่นั้นเนะี่ย <c oughs> แล้วก็ เ, ออเมื่อสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพอดีมันมีอาการหนึ่งคือระหว่างที่คุยคุยกับแฟนอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความโกรธเยอะๆแต่มันจะถึงจุดหนึ่งเหมือนมันมีการมันแยกหองอะคะ่ะและใจมันก็ว่างๆมันไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นคื อ, อนนโภาวะรู้<อ>เป็นภาวะที่จิตผู้รู้เกิดขึ้นอ่อนๆอ คำว่าเกิดขึ้นน อ, อนๆไหมเพราะว่าเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งมันก็หายไปกลายมาเป็นตัวเดาวเหมือนเดิม <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงเนี่ยนะมันจะเกิดเป็นภาวะแยกออกมาเห็นอย่างนั้นมันเหมือนเป็นคนละตัวกันอยู่แบบคงเส้นคงวาอยู่ได้เป็ น, นวันๆนั่นคือจิตมีความตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิแบบอนๆๆ mm. อนอนอๆนะ ก, ก็จําไว้เป็นชื่อเรียกง่ายๆสัมมาสมาธิแบบที่เป็นคณิกะหรือที่เรียกว่าคณิกะสมาธิอ๋อถามว่าอันนี้ค่ะเออสังเกตตัวเองมาว่าถ้าเกิดตอนไหนที่นั่งสมาธิเยอะๆค่ะมันไม่ได้นั่งสมาธิเยอะแต่เหมือนกับถ้าวันไหนได้นั่งสมาธิแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าพอมีความโกรธอมันจะโผล่ออกมาเลยมันเบรกไม่ค่อยได้มันคือ จะเป็นธรรมด า, าบางาทีมันผิดหรือเปล่าคะผิดวิธีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยของเรามีมียังมีอาการจดจ้องตั้งใจแล้วก็บังคับอยู่นิดนึงนะขึ้นต้นมามันถูกแล้วแหละย่างยังตอนที่ทําแบบที่พี่ไกอะ่ะมันมันก็เห็นอะไรมาได้เรื่อยแต่ว่าโดยความเคยชินของเราอะ่ะมันยังเป็นแบบบังคับตัวเองอยู่นะนี่ก็ดูเวลาที่มีอาการจดจ้อง มีอาการที่จะจะกดให้นิ่งตัวนั้นน่ก็คือช่วงของการสะสมความเก็บกดแรงกดดันมันเก็บเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งขึ้นมามันปุ้งออกไปอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาก็แค่เรียนรู้คือไม่ได้ถือว่าทำผิดหรอกทุกคนมันต้องผ่านเส้นทางอะไรแบบนี้มากันทั้งนั้นแหละ<ม>นี่พอเรามีความเข้าใจมากขึ้น มันก็จะเห็นว่าเออเนี่ยตอนที่จี้มันจะพยายามให้มันนิ่งเนี่ยนะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยอันนี้พอมันมีสติขึ้นมามันก็รู้ว่าเออเนี่ยเป็นอาการจี้ที่เก็บแรงอัดเข้ามามันก็จะคลายออกณเวลานั้นถ้าเห็นเรื่อยๆทําเรื่อยๆมันก็จะมีแต่อาการคลายมันจะไม่มีอาการนั่งสมาธิด้วยอาการจี้อคือเหมือนไปตั้งใจมันมากเกินไปใช่ไหมคะเป็นบางครั้งเป็นบางยองหวะ บ า, บางทีเนี่ยมันยังมีอาการพยายามควบคุมให้นิ่งแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการจริงๆอย่างที่พี่ไกด์มานะอานาปานสติเนี่ยเราไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเป็นไปตามธรรมชาตินะ เ, เดี๋ยวมันจะค่อยๆคุ้นขึ้นมาเองตอนนี้กําลังมันยังไม่เต็มเต็มที่กําลังมันยังไม่อยู่ตัวแต่พอมันกําลังมันมีความอิ่มตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่าเราสามารถเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าใจเปิด ใจแบบนี้ถ้าหากว่ารู้ไปเดี๋ยวก็ลมหายใจเข้าเดี๋ยวก็ลมหายใจออกมันจะเป็นสมาธิแบบเปิดไม่มีความเก็บกดแต่ถ้าเรานั่งหลับตาปุ๊บแล้วมีความรู้สึกเหมือนไงจี้ๆเข้ามาใจไม่เปิดแบบนี้มันปิดแคบเข้ามาเรารู้ทันว่านี่แหละคือช่วงของการเก็บแรงอัดสะสมแรงแรงอัดนี่ตัวนี้มันก็จะได้ไม่หลงทางคือมันก็จะรู้ตัว แล้วก็คลายออกแล้วก็คืออยากจะถามอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ว่าถ้าเรากําลังเป็นพนักงานบริษัทอยู่แล้วเราต้องการเปลี่ยนไปมีธุรกิจส่วนตัวแบบนี้ค่ะคือวิธีไหนมันจะทําให้เรามีสมาธิมากมากขึ้นหรือทั้งสองแบบอ่ะมันมีจุดที่ทําให้เราค่อยเขวได้หมดแหละนะตอนที่เราเป็นพนักงานเราก็ไม่อยากเป็น ลูกน้องไม่อยากรับคาสั่งใครอยากเป็นตัวของตัวเองแต่พอไปทาธุรกิจของตัวเองเราก็อยากได้ไกด์เราก็อยากได้แนวทางที่มันจะชัวร์ได้ว่าไม่ผิดพลาดตัดสินใจแล้วไม่เกิดความล้มเหลวเสียหายมันวุ่นวายได้ตลอดโจทย์ที่ถูกคือถามตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่เพื่อให้มันได้อะไร ตรงนี้ถ้าเราไม่แม่นเนี่ยมันจะเกิดความสับสนอยู่แล้วก็เกิดความกระวนกระวายเป็นทุกข์ไม่เลิกนะะเราจะเป็นลูกน้องเราตั้งเข็มไว้ว่าเออเนี่ยเพื่อความสบายใจไม่ต้องลงทุนเองมันจะมีคนรับความเสี่ยงเราไม่ต้องเสี่ยงแต่มันก็จะได้ความรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะจะต้องรับคำสั่งจากคนอื่น ซึ่งมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกข้างในแต่ถ้าหากว่าต้องการจะทำธุรกิจของตัวเองจุดมุ่งหมายก็คือเราจะได้เป็นตัวของตัวเองส่วนเรื่องความเสี่ยงเราก็ต้องทําใจแบกรับเนี่ยพอมันทำใจไว้ตามที่มันจะต้องเป็นไปจริงๆนะมันจะไม่เกิดความกระวนกระวายมากมันจะรู้อยู่ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรไม่งั้นเนี่ยมันจะตีกันอยู่ระหว่างความรู้สึกว่าอ ย, อยากทำของเราเองกัอยากทำให้คนอื่นนะความอยากแค่ว่าจะทำให้คนอื่นหรือว่าอยากทำของตัวเองแค่นี้มันไม่ใช่โจทย์ที่ชัดเจนมันยังไม่ใช่เป้าหมาย ก็มาครั้งแรกค่ะจะไม่ถามนานเพราะว่าตอนแรกเนี hmm. ่ยตั mm. ้งใจจะมาหาคําตอบเกี comes, mm. ่ยวกับปัญหาของตัวเองที่ว่าเป็นคนที่ชอบคิดวกวนสับสนคิดย้อนกลับไปในอดีตแล้วก็พวงอนาคตแต่ว่าหลังจากที่ได้ฟังหลายๆท่านถามแล้วก็พี่ตุลช่วยกรุณาให้คําชี้แนะค่ะก็คิดว่าตัวเองได้คําตอบแล้วว่าควรจะทํำยังไงแต่ยังไงก็ขอให้พี่ตุนช่วยยืนยันความเข้าใจของตัวเองอะค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่า ต่อไปเนี่ยถ้ากลับไปถ้าเรามีความคิดย้อนกลับไปในอดีตหรือว่าห่วงอนาคตอีกเนี่ยเราจะต้องรู้ทันโครงสร้างความคิดของน้องนะมันเหมือนกับอยากได้ที่พึ่งที่จะช่วยให้เราอุ่นใจก็ <c oughs> มันข้างในของเราลึกๆรู้สึกแพ่งแขวงนะมันเหมือนกับไม่มีคนช่วย <c oughs> ต้องช่วยเหลือตัวเอง้วคนอื่นก็มาขอความช่วยเหลือจากเรา <c oughs> อะไร <c oughs> แบบนี้ มันมันรู้สึกเคว้งคว้างอยู่ลึกๆรู้สึกมันวังเวงนะคแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ความเชื่อมัน่นไม่ได้ความอบอุ่นใจเนี่ยมันเหมือนชีวิตเราจมอยู่กับความเงียบเหงาอะไรบางอย่างที่มั น, ม, นมันอยู่ในโลกที่มันเวงวางอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกทางใจของเราปรุงแต่งไปแบบนั้นนี่อย่างที่น้องฟังฟังทั้งหมดมาแล้วน้องบอกเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันเข้าใจวิธีที่จะมองเข้ามาในตัวเอง เข้าใจที่จะมองเข้ามาในภาวะความไม่เที่ยงแต่ว่าอย่างภาวะที่มันเป็นอะไรที่แว้งคว้างอยู่ข้างในแล้วก็รู้สึกต้องการความอบอุ่นต้องการที่พึ่งต้องการหลักที่มันจะชัดเจนแล้วก็ประกันความปลอดภัยให้เราได้เนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ได้พูดพูดกันยังไม่ได้คุยกัน <S <S> <S ภาวะตรงนี้ บางทีมันไม่ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากการที่เราอยากจะแบบโอ๊ยไปพึ่งพาใครอะไรแมันมันไม่ใช่เพราะเพราะเราก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วช่วยเหลือคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะเวลาที่คนก็เข้ามาแต่ทุกครั้งที่เราให้คําแนะนำเนี่ยใครไปเนี่ยเราเราจะเต็มใจช่วยอะไรไปก็แล้วแต่เราจะมีความรู้สึกเหงาอยู่ลึกๆมีความรู้สึกเหมือนคนในโลกมันไม่กระตันอยู่ มันเหมือนกับคนในโลกเนี่ยจะมาเอาอย่างเดียวไม่ชกช่วยอย่างเดียวแต่มันให้ไม่เป็นให้ให้กลับคืนไม่เป็นเราจะขอความช่วยเหลือบ้างบางทีไม่มีใครช่วยเราต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่อยู่คนเดียวหรือแม้กระทั่งว่าจะเอาหลักประกันในเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตบางทีเราก็รู้สึกเข็งแกร่งเหมือนกับคนโน้นก็พูดอย่างนี้คนนั้นก็พูดอย่างนั้น มันมันรู้สึกหนาวหนาวอยู่ข้างในนี่ถ้าเรามองไอ้อดมเหมือนกับว้าเวยอยู่ข้างในหรือว่าหรือกับงคว้างอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งของจิตช น, นิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นบุบบุบมันหายไปเมื่อเรากำลังเต็มใจช่วยเหลือใครอยู่ของเราเนี่ยคือคือบางที เราใจเราเนี่ยบางทีอยากช่วยนะแต่ถ้าคนมันเราเห็นเลยนะไอ้นี่หน้าตาแบบนี้อากตันย์อยู่แน่นอนเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มใจมันจะมีความฝึกเหมือนครึ่งครึงเข้าใจใช่ไหมคือแบบช่วยคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคนไม่ดีมันจะมีจึ๊กอยู่ข้างในไม่อยากช่วยแต่ก็ช่วยเนี่ยดูอาการทางใจเวลาที่มัน ก่อนจะมามีความรู้สึกเคว้งคว้างเนี่ยมันมีการสะสมความรู้สึกเหล่านี้มาก่อนมีแต่คนอยากจะฉกฉวยมีแต่คนอยากจะเอาแต่ไม่มีคนจะให้พอมันรวมๆแล้วเนี่ยมันเลยเกิดเป็นความรู้สึกเคว้งคว้างมันไม่ใช่ขึ้นต้นขึ้นมาเราอยากจะไปขอความช่วยเลยจากใครอ่ะเข้าใจใช่ไหมอ่าพอยท์พอยท์ยมันเป็นอย่างนี้พอเพราะฉะนั้น ต่อไปเวลาที่อยู่ๆเนี่ยใช้ชีวิตในระหว่างวันเนี่ยอยู่ๆเรารู้สึกหง่อยๆขึ้นมาเฉยๆอ่เงยเรารู้สึกเหมือนกับมันจ่อยๆอยู่ข้างในเหมือนชีวิตไม่ค่อยมีหลักประกันไม่ค่อยมีความอบอุ่นอะไรที่มันพอมนุษย์มีแต่จะเอาคือพอเราเห็น ว่าการปรุงแต่งจิตแบบนี้เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออนี่ชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เคว้งคว้างหรือว่าเงียบเหงาแต่มันเป็นภาวะชั่วคราวของจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเข้าใจพอยอย่างพี่ใช่ไหมชีวิตเนี่ยจริงๆก็มีอะไรให้มองมากมายวความรู้สึกมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆความรู้สึกว่าชีวิตเป็นยังไงเนี่ยเปลี่ยนไปไเรื่อยๆ มันขึ้นอยู่กับว่าขนาดหนึ่งหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งยาวๆเนี่ยมีความคิดอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตของเราโดยมากอย่างถ้าไปถามไอ้พวกจัสตินบีเบอร์อะไรเงี้ยนะม่ได้บอกอชีวิตนี่มันคือมันําฮองไม่ใช่มองแบบเรามันจะถูกปรุงแต่งจิตมาแม่ชีวิตเต็มไปได้วยเรื่องราวน่าพอใจมันมันจะอุ่นยนร้อนเนี่ยชีวิตมัน มีแต่คนแต่คือก็เข้ามาเพื่อที่จะชกสวยกันแหละเพียงแต่ว่าเขามีมากพอที่จะให้โดยไม่ต้องเสียดายตรง น, นี้มันเป็นความต่างกันคือคือแบบรายนั้นเนี่ยกระดาษใบเดียวลายเซ็นใบเดียวมันก็มีมูลค่าขึ้นมาเป็นพันดอลลาร์ได้เข้าใจใช่ไหมพอยของพี่คือว่าวิธีการปรุงแต่งจิตของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับชีวิตเนี่ย มันจะเข้ามาปรุงแต่งจิตเราอย่างไงนี่พอเรามองเห็นเป็นขณะขณะทุกครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเงียบเหงาหรือรู้สึกอบอุ่นก็ตามนะมันก็แค่ขณะหนึ่งของความรู้สึกที่ความคิดมันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสตินะสะติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งจิตให้เป็นไปอีกแบบหนึ่งคือรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าง ไม่ยินดีไม่ยินร้ายณตรงนั้นเน่ะไอ้ความว่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งถอนความรู้สึกว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นตัวเราแน่ๆเอ้เนี่ยไอ้ความรู้สึกเงียบเหงาความรู้สึกแข็งว้างเนี่ยที่เรามันยังเกาะจิตเราได้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราอยู่ในโลกแบบหนึง่งมีตัวเราจริงๆอยู่ในโลกที่มันเงียบเหงาเข้าใจปัยของพี่นะ แต่พอเรารู้สึกว่าไอ้นี่ความรู้สึกนี้มันปรุงแต่งชั่วคราวโลกแบบนั้นมันจะหายไปกลายเป็นความรู้สึกว่างประเด็นคือเราต้องรู้ให้ทันความรู้สึกมันต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะบางทีรู้อย่างเดียวเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนนี่ก็รู้แล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าเราตั้งมุมมองไปล่วงหน้าว่นนี่คืออาการปรุงแต่งของจิต และอย่างอย่างที่พี่คือเท้าความมาเนี่ยว่าคนชอบมาขอแต่ไม่ชอบให้อย่างเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าไอ้มันบางทีเราช่วยใครบางทีก็เต็มใจบางทีก็ไม่เต็มใจอย่างเงี้ยเนี่ยเราเนี้ยมันเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก่ อ, อกให้เกิดความรู้สึกเงียบเหงาขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยถ้าเราจะมองไอ้ความรู้สึกหน่อยๆตรงนี้เนี่ยมันเห็นเฉยๆว่าหน่อยๆแต่ไม่รู้ที่มาที่ไป แต่นี่พี่ขุดคุยให้แล้วเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่านี่อยู่ๆไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะมันเกิดขึ้นมายังมีสาเหตุแล้วพอเราเห็นว่าเออแต่ละครั้งเนี่ยสาเหตุเหล่านี้เนี่ยตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเรารู้ณจุดเกิดเหตุเลยมันก็จะได้เกิดความเข้าใจชีวิตโดยรวม ว่าจะรู้สึกว่าอย่างไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการเก็บเล็กผสมน้อยทั้งนั้นเลยมันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนมาแต่แรก่ตัวนี้แหละที่พี่จะบอกนะคือคือของน้องเนี่ยให้ดูเฉยเฉยอะ่ะมันสงสัยไม่จบมันเหมือนกับดูเข้าไปเสร็จแล้วก็เคยรู้สึกใช่ไหมเอมันมัน มันเห็นแล้วมันก็ยังยังอยู่อย่างนั้นแะคือคือมันมันเห็นแล้วมันรู้แล้วบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ไม่หายไปคือเพราะมันยังไม่มีความเข้าใจที่บริบูรณ์บางคนเนี่ยแค่ดูเฉยเฉยมันโอเคแต่แบบของเราเนี่ยดูเฉยเฉยมันไม่โอเคเพราะจิตมันสงสัยไม่เลิกนี่พอพี่พูดว่ามันมีเหตุ แลเจาะลึกลงไปเลยว่าเนี่ยให้เราไปดูนะตอนที่เราช่วยคนหรือว่าตอนที่ใครมาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยลองดูไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะชัดเจนว่าที่มาที่ไปของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมาจากไหนนะครับ เ, เมื่อเมื่อคราวก่อนพีตุลให้ไปดูความ ความไม่พอใจแล้วก็อาการที่มันไม่ยอมรับนะครับก็ก็พยายามไปสังเกตดูก็ก็เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าดูได้ถูกถูกหรือเปล่าเห็นอยู่ถูกแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพอโทสะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบยืดเยื้อะแต่ตอนเนี้พอโทสะเกิดขึ้นเนี่ ย, ม, นนยมันเกิดขึ้นแบบเป็นห่วงๆเราจะรู้สึกได้เหมือนมี ความเข้มบ้างอ่อนบ้างณนะจุดเกิดเหตุเลยนะคือคือมันจะไม่สถียนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยพอเกิดโทสะแล้วเนี่ยมันลากยาวมันมีอาการยืดเยื้อในตอนเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเป็นห่วงห่วงเรารู้สึกถึงมันได้นะทีนี้พอเห็นโทสะมันเกิดขึ้นเป็นห่วงหวงแล้วก็จริงแต่ใจเนี่ยมันยังมีอาการยื้ออยู่ยื้ออยู่ในเรื่องที่ไม่พอใจ คือมันเห็นแล้วไม่ใช่ไม่เห็นรู้แล้วว่าเนี่ยกลังไม่พอใจดูแล้วว่ามันมีอาการกระเพื่อมกระเพื่อมนะแต่ใจเนี่ยมีอาการยื้ออยู่ในต้นเหตุของโทสะคือมันยังคิดถึงต้นเหตุของโทสะอยู่คิดเป็นบางทีมันไม่ใิดคิดแบบบางทีของเราเนี่ยนะไม่ได้คิดถึงใบหน้าตัวต้นเหตุนะแต่คิดแบบมันคันอกคันใจอะ มันรู้สึกแบบมีความไม่พอใจอย่างรุนแรงอยู่ข้างในแล้วมันก็ยื้ออยู่กับความรู้สึกไม่พอใจตรงนั้นพอจะนึกออกไหมคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยเราจะยอมให้มันจบไม่ได้เราจะยอมปล่อยไปเฉยเฉยไม่ได้พอใจที่พี่พูดมาคือคือมันพอรู้สึกคันอกคันใจเนี่ยมันจะมีอาการแล่นตามโทสะไป นี่ถ้าเราเห็นเนี่ยเอออย่างเงี้ยที่มันคลายออกเนี่ยพอเราเริ่มเห็นอาการที่ใจของเราแล่นตามโทสะไปมันจะรู้สึกว่าเออเนี่ยการปรุงแต่งของจิตในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นอาการแล่นตามไปมีอาการพยานไปแล้วมันก็จะมันมันจะไม่หยุดทุกครั้งนะแต่ว่ามันจะได้การเห็นทุกครั้งอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่า หลักแต่เป็นภาวะเมื่อกี้เนี่ยที่มันไม่ใช่ตัวเดารู้สึกเหมือนว่าเป็นภาวะแล่นอะไรบางอย่างแล้วเราเห็นมันได้คือมันข้อดีของการที่มีตัวสะชัดเจนก็คือเราสามารถเห็นมันเป็นภาวะได้ง่ายถ้าเราเห็นจริงถ้าเราตั้งมุมมองไว้ตรงตรงองศานะเราถ้าพูดถึงการปฏิบัติในแง่มุมอื่นนี่มีอะไรควรจะ รับปรุงไหมครับผมอย่างถ้าในแง่ของการนั่งสมาธิมันยังมีอาการฝืนอยู่นิดนึงมันจะรู้สึกถึงอาการฝืนนี้พอรู้สึกถึงอาการฝืนเนี่ยเราก็ดูความไม่เที่ยงของอาการฝืนแต่และลมหายใจมันเท่ากันไหมถ้าฝืนแล้วมันรู้สึกฝืนมากมันจะรู้สึกเกร็ง แต่พอเรารู้สึกถึงอาการเกร็งๆลมหายใจต่อมามันจะอ่อนผ่อนลงไออาการเกรงเนี่ยมันจะคลายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเห็นความไม่เที่ยงของความฝืนของเราจริงๆนะเหมาะกับการเดินจยงกลมนะคือเดินยงกลมเนี่ยมันไม่ต้องฝืนมากถ้าให้ดีเนี่ยคือเรามีส่วนของความเป็นนักกีฬายอยู่ถ้าถ้าวิ่งแล้วรู้เท้ากระทบอย่างเดียว คือไม่ต้องสนใจอะไรอย่างอื่นเลยนะเราจะรู้สึกว่าใจมันอยู่นิ่งได้อย่างมีสมดุลไอ้นี่บางทีอยู่นิ่งเน่ะนิ่งจริงแต่ว่านิ่งแบบควบคุมตัวควบคุมนั่นแหละคือที่มาของความฝืนนี่ถ้าเราวิ่งต๊อกต๊อกตต๊ อ, ตอไปแล้วรู้สึกถึงไอ้เท้ากระทบทีทีเนี่ยมันเหมือนกับอาการฝืนอาการควบคุมเนี่ยมันจะไม่มีมีแต่อาการว่าเอ้เราก็รู้ได้ของเราเนี่ยสามารถรู้ได้นะถ้า รู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยอย่างตอนวิ่งเนี่ยลองสังเกตดูเอาแค่รู้สึกถึงเท้ากระทบอย่างเดียวไม่รู้อะไรอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างอื่นทั้งสิ้นไม่ต้องสนใจด้วยซ้าว่านี่คือการเจริญสติหรือการทำสมาธิอะไรนะแค่สนใจว่าเออเรารู้สึกถึงเท้ากระทบไปตอกตอกตอกอกไปออพอรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยเราจะเหมือนกันเออมันไม่มีความฝืนแต่มีความนิ่งมีความนิ่งอย่างรู้สึก รู้สึกถึงกายรู้สึกถึงภาวะของใจนั่นคือการเจริญสติที่น่าจะสอดคล้องกับสภาพกายสภาพจิตของเรานะเล่นกีฬายอยู่บ้างปะพักหลังก็ตีกรอบครับผมตีกรอบมันได้แค่สมาธิแบบตอน คือคือเป็นกีฬาที่มีสมาธิใช้สมาธินะพี่ยอมรับนะแต่มันไม่ได้เหมาะกับของเราพูดถึงความเหมาะเนี่ยของเราน่าจะวิ่งแล้วกระทบมากกว่าหรื อ, อตอนตอนเดินไปในสนามอะ่ะเรื่อง ร, รู้เท้ากระทบไปก็ได้เพีงเยงแต่ว่าจิตแบบของเราเนี่ยถ้าจะให้เป็นสมาธิจริงเนี่ยพี่ว่าน่าจะเริ่มรู้รู้จักสมาธิจริงๆ จ, จ, จากตอน รู้เท้ากระทบทีๆคือแค่เดินนี่ยังเอาไม่อยู่ใจมันคิดไปเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้อย่างตอนจีกอลเนี่ยคือมันเข้าสู่ภาวะนิ่งก็จริงแต่มันนิ่งแบบนิ่งแบบมีความคาดหวังนิ่งแบบที่บางทีมันออกแนวใช้พลังนะ่ยใช้กําลังเราจะรู้สึกได้ใช้กําลัง ทำให้มันเกิดความนิ่งทำให้เกิดภาพทำให้เกิดภาพบงสวิงทำให้เกิดภาพลูกกอลลอยออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันยังไม่ใช่ความสงบในแบบที่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นสติแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือก็เล่นไปเถอยังจะสังเกตเอากันลวกันว่าความต่างมันเป็นยังไงถ้าเราลองไปวิ่งวิ่งบนสายพานหรือว่าวิ่งบนสนามก็ได้แล้วรู้สึกถึงเท้ากระทบอย่างเดียว มันจะเห็นเลยความแตกต่างตอนที่มีสมาธิกับการสวิงกับตอนที่มันรู้เท้ากระทบเนี่ยจิตมันคนละแบบเลยจิตตอนที่รู้เท้ากระทบมันจะตื่นมันจะมีความรู้แล้วก็เข้ามาที่กายใจแต่จิตแบบสวิงเนี่ยมันมันสงบแบบใช้วาลังคนละเรื่องนะดีค่ะ ได้ฟังพยายามจะทำตามคลิปเสียงของคุณตูนานะคะที่บ้านพอดีป่วยแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวที่บ้านกา็พยายามที่จะดูลมหายใจค่ะแต่บางครั้งเนี่ยอยู่ๆเนี่ยลมหายใจเนี่ยเราจับไม่ได้เลยแต่ว่ามันเคลื่อนไปที่กระบังลมแทนแล้วเรารู้สึกว่ากระบังลมเนี่ยมันมันสูงขึ้นลงขึ้นลงแล้วสักพักมันก็จะไปอยู่ที่หน้าท้องแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องสูบลมนะคะ แล้วก็ที่คุณตุลบอกว่าให้จับความรู้สึกนะคะบางทีเราบอกความรู้สึกไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเพียงแต่เรารู้สึกได้ว่ามั น, ม, นมีภาวะบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นตรงหน้าอกเราบ้างตรงลมหายใจเราบ้างตรงหัวเราบ้างแต่เราเราบอกชื่อมันไม่ได้ะคะ่ะว่ามันคืออะไรแล้วตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงบขึ้นในสมาธินะคะแต่ว่าไม่มีความกลัวเกิดขึ้นกลัวอย่างมากเลยค่ะ บางครั้งเนี่ยกลัวจนจนเร า, เาพยายามที่จะนึกถึงคำคุณตุนบอกว่าให้ให้จับความรู้สึกนั้นไว้แต่บางครั้งมันกลัวจนกระทั่งที่เราเรียกว่าสมาธิหรือกําลังที่เรามีเนี่ยจะต้านมันได้ไหมอะค่ะก็อยากจะขอเรียนถามาให้คุณตุนช่วยแนะนําค่ะขอบคุณค่ะเอาจุดนี้ก่อนที่เห็น เ, เหมือนกัมีกระบังลมเคลื่อนก็เป็นคล้ายๆกับ ร่างกายเป็นเครื่องสูบลมสูบเข้าสูบออกอันนี้ดีหรือใกลสมาธิและมันเห็นสักแต่เป็นธาตุธาตุดินกําลังมีอาการปั๊มเข้าปั๊มออกธาตุลมมันไม่รู้สึกว่าเป็นบุคคลแต่ความคิดนะมันยังเป็นบุคคลอยู่ในหนเวลานั้นนี่ยเดี๋ยวจะให้ย้อนทบทวนดูเลยนะตอนที่เรารู้สึกเหมือนกับกระบางลมมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเนี่ยแล้วก็มี ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบุคคลไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นเดาแต่เป็นหุ่นยนต์ที่เรานั่งดูอยู่นั่งดูการทำงา น, นกลไกของมันแต่ความคิดของเราเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยยังเป็นตัวตนเหมือนเป็นตัวตนเรานั่งดูอยู่นี้พอไอ้ตัวตนตัวนี้เนี่ย ตอนที่มันมันเห็นแค่กระบังลมหดเข้าหดออกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็รู้สึกเออมันมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์แต่พอเข้าสู่ภาวะที่เหมือนกับเริ่มข้างในเนี่ยนะมันเริ่มปั่นป่วนคือจะนิ่งก็ไม่ใช่จะปั่นป่วนวุ่นวายยุ่งเหยิงก็ไม่เชิงมันเป็นภาวะแปลกแปกไอ้ตัวตนตัวนี้มันก็เกิดความกลัวขึ้นมา กลัวว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้ที่ป่วยอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่ขึ้นไปหรือเปล่าอะไรทํานองเนี้นะดันั้นถ้าสืบไปสืบมาเนี่ยความกลัวเกิดจากอะไรความกลัวเกิดจากการที่ยังมีตัวตนเราจะเห็นเออมันยังมีความรู้สึกในตัวตนแล้วกลัวว่าตัวตนตัวนี้เนี่ยมันมันจะเป็นมีอันเป็นไปยังไง นี่ความกลัวหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาความกลัวนะแบบของเรามันจะออกแนวแบบกระเพื่อมกระเพื่มไหวเอย่ากรู้สึกเหมือนกับวันไหวเป็นละลอกระลอกมันไม่ได้วันไหวเท่าเดิมอยู่ตลอดมันหวันไหวมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จะปรุงแต่งคิดคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตืบไปเนี่ยมันเกิดก่อตัวขึ้นที่ตรงนี้คิดไปเองนี่ จริงเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดแหละไม่ว่าจะชายจะหญิงนะคิดไปเองตอนที่ไม่รู้อะไรจริงตอนที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมันคิดล่วงหน้าจินตนาการไปแล้วมันจินตนาการทางร้ายไว้ก่อนโดยเฉพาะตอนที่หลับตาเนี่ยมันเป็นภาวะที่เรามองไม่เห็นไงคาว่าหลับตาเนี่ยมันมาพร้อมกับคำว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นด้แก้วตา ที่เราเคยชินในการใช้มองดูรูปมองดูสีสันแต่ถ้าเราสํารวจเข้าไปนะในขณะที่เราหลับตาเนี่ยบางทีเราเห็นยิ่งกว่าใช้ตาดูอีกเราเห็นความจริงไงเห็นความจริงว่าเออเนี่ยมีอาการกระเพื่มเข้ากระเพื่มออกเรากลาว่าเป็นหุ่นยนต์เห็นความจริงว่าเออเนี่ยมันมีความคิดก่อตัวขึ้นมามีอาการจินตนาการไปล่วงหน้าแบบสูนเปล่า เห็นว่าเออมันมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเออมันบางทีเนี่ยมีความกลัวมากกลัวน้อยมันเห็นยิ่งกว่าตาเห็นอีกตาเห็นบางทีนะเรามองไปเนี่ยมันไม่ได้แปลด้วยซ้ํานี่ประตูมันเห็นไปเฉยๆแลตอนขาดสติเนี่ยความคิดมันฟุ้งซ่านไปไหนก็ไม่รู้นะที่นึกว่าตาดูอยู่แล้วเห็นเนี่ยบางทีมันไม่ได้แปล แต่ถ้าใจเรากําลังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการภายในเนี่ยตรงนั้นมันเห็นอยู่ตลอดเวลานะเห็นอย่างต่อเนื่องเราก็ดูเออไอความกลัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ภาวะปรุงแต่งที่มันเริ่มต้นมาจากตรงนี้แล้วเสร็จแล้วยิ่งตรงนี้ตระเิดไปมากเท่าไหร่ความกลัวมันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นว่าเห็นปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างเงี้ยใจมันจะสลัดความกลัวทิ้ง ไม่ใช่แกล้งสลัดนะมันรู้สึกไม่อยากยึดมั่นถือมั่นความกลัวที่สูญเปล่ามันหายไปเฉยเฉยคือส่วนใหญ่มันจะกลัวโตอตอนที่เรานิ่งเงียบอะค่ะแล้วมันมีบางภาวะีมันมันไม่ใช่เงียบจริงลองลองทบทวนดูดีๆนะ มันเงียบกึ่งไอ้รู้สึกเหมือนกับมีอะไรปนปอ่คนอยู่ข้างในค่ะว่าเหมือนกับแล้วมันเหมือนที่คุณตุนบอกคือมันจะมีภาวะเงียบที่แบบว่ากําลังจะนําเราดิ่งลงอะไรบางอย่างมันบางทีมันเหมือนอุโมงค์แล้วเร็วมากอะค่ะแล้วพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยที่คุณตุนบอกคือภาวะที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเนี่ยค่ะมันกระชากตรงนั้นตรงนั้นเป็นภาวะที่จิตมันเริ่มหดตัวนะให้รู้ไว้ภาวะอุโมงค์ภาวะที่เหมือนจะดิ่งอะไรต่างๆเนี่ย เป็นภาวะที่จิตหดตัวท่องไว้ล่วงหน้าเลยจำไม่ล่วงหน้าเลยจิตเนี่ยมันจะมีอาการบีบเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกภายในว่าเหมือนเป็นท่ออะไรกลวงๆนะจริงๆแล้วมันเป็นแค่อาการหดตัวอย่างถ้าตอนที่จิตมันเปิดจิตมันสบายเราจะรู้สึกเหมือนเบ่งบานจะรู้สึกเหมือนกัเออมันมันกว้างออกไปนะแล้วไม่มีท่อไม่มี อะไรที่มันอุดตันมันมีแต่ความว่างมันมีแต่ความสบายเราก็รู้ว่านั่นแหะเป็นจิตอีกแบบหนึ่งเป็นจิตแบบเปิดไม่ใช่จิตแบบหดตัวนะทั้งหลายทั้งปวงมันมีแค่อาการของจิตแต่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตไปเนี่ยให้กลัวนั่นกลัวนี่หรือว่าชอบนั่นชอบนี่เนี่ยมันเป็นแค่ภาวะชั่วคราวแป๊บหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเริ่มต้นจุดชนวนขึ้นจากในนี้ในหัว ตัวภาวะของจิตเองจริงๆเนี่ยมันเป็นคนละคนละอย่างคนละเลเยอร์กันอย่างสิ้นเชิงกับภาวะปรุงแต่งทางความคิดนะพอเราเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่ล่วงหน้าอย่างนี้ความกลัวมันจะน้อยลงเองมันจะรู้สึกว่าไอ้ความกลัวเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันกลวงยิ่งกไอ้ท่อที่เราเห็นอีกคือมันเหมือนพยับแดด ที่ก่อตัวขึ้นมาแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรต้องต้องเป็นเหตุเป็นผลที่สมเหตุสมผลแต่มันก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นความกลัวเนี่ยเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าความสุนเปล่ามันมาจากสิ่งที่เราไม่เท่าทันมันน ะ, ะระหว่างวันเนี่ยคือสังเกตด้วยวิธีความคิด ว, วิธีคิด ปรุงแต่งอะไรไปอ่ะบางทีมันมันกังวลไปล่วงหน้าบ่อยๆอย่างเรื่องถูกภาพโอเคมันไม่ดีแต่บางทีเราไปปรุงแต่งนู้นมันนะไปไกลถึงไหนถึงไหนแล้วก็อาการคิดไปล่วงหน้าเนี่ยอาการคิดไปเองเนี่ยมันมักจะนำมาซึ่งความน้อยใจบางกีมันเกิดขึ้นแบบ ไม่สมเหตุสมผลนะบางทีมันเกิดขึ้นอย่างแบบที่ว่าเหมือนกับเราถูกทอดทิ้งหรือถูกอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันจริงแล้วก็ไม่คือมันมันเหมือนมันเหมือนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บีบคั้นให้เรารู้สึกว่าเออเราเราถูกปล่อยทิ้งอะไรแบบเนี้ยนะ ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่คือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางทีมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาพอเกิดความรู้สึกไงทำนองนี้ขึ้นมาเนี่ยถือเป็นโอกาสดีว่าเออเนี่ยนี่เราได้เห็นว่าอาการคิดไปเองหรือว่าการปรุงแต่งให้รู้สึกไป ท, ทั้งทั้งที่มันไม่สอดคล้องกับความจริงเนี่ยมันมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะพอ พอมันเห็นบ่อยๆแม่อเออเนี่ยเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาตามสภาพภายในตามสภาพที่เราคิดไปความคิดไปเองมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไออาการยึดมั่นถือมั่นความคิดมันจะเบาบางลงนั่นเองนะเอาละครับโอเคครับอย่างนั้นขอบคุณมากนะที่มาเสวนาร่วมกันสวัสดีครับ